ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมวิชาพุทธศาสนาเรื่องพยายามสร้างบุญทุกวินาทีโดยพ่อท่านโพธิรักแดนิสิตมหาลายวังชีวิตเมื่อวันที่16มกราคม2540ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นบัดนี้ ชีวิตเราก็อยู่อย่างนี้แหละนะเสื้อตมาก็เคยสรุปให้ฟังแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกถ้าเผื่อว่าเข้าใจจริงๆแล้วมนุษย์เรามีกรรมกับการกรรมกับกาละเท่านั้นกาละนั้นไม่มีใครไปควบคุมไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะไปควบคุมกาละเขาได้กาละเขาดาเนินไปตราบที่มหาจักวาลนี้ยังจะเคลื่อนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนิรันดร ปัจจา น, นการละเกิดจากการเคลื่อนของทุกอย่างตั้งแต่มหาจักรวานดวงดาวความหมุนเวียนทุกอย่างแม้แต่ลึกเข้าไปถึงนามธรรมเป็นวัตจักรของกรร ม, มวิบาก เ, เกี่ยวเนื่องกันตรงนี้นะเมื่อเกิดมีสัตว์โลกมีจิตวิญญาณมีกรร ม, มวิบาก กรรมวิบากก็มีตัวมาเกี่ยวเนื่องกับกาละหรือการตรงนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์ถ้าไม่ศึกษากรรมทุกอย่างก็คือหมุนไปกับการเรียกว่าสังสารวัตรเมื่อยิ่งไม่ศึกษาก็ไม่รู้จักกรรมของตัวเองก็ทําชั่วไม่รู้ชั่วทําดีไม่รู้ดีซึ่งความดีความชั่วนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งนะั่เป็นเรื่องสําคัญมาก ถ้ามนุษย์ไม่ศึกษาสัจธรรมอันนี้แล้วก็จะทำชั่วกันและก็ไม่รู้ตัวหมุนเวียนในสังสารวัตเนี่ยตกต่ำหรือเรียกว่านารกได้สูงขึ้นมาเรียกว่าสวรรค์อะไรนี่มุนเวียนอยู่ยงั้นและไปแบบโลกีด้วยเพราะว่าสังสารวัตนี้มีนรกมีสวรรค์อย่างโลกีกับนรกสวรรค์อย่างโลกุตระ เมื่อไม่ศึกษาศาสนาพุทธนี่จะไม่รู้โลกุตระเลยไม่ว่าศาสนานไหนๆไม่มีโลกุตระมีแค่โลกีธรรมดาเรียกว่ากัลยาณชนเป็นคนดีเสียสระได้จริงเหมือนกันสร้าง ส, สรรเสสระแต่ไม่มีนิพพานไม่มีการรู้จักกินเลเ ท, ที่แท้จริงแล้วก็ลดกิเลสได้จริงๆอย่างชัดแท้อย่างจับมั่นคั้นตายและลดได้อย่างถาวรถึงที่สุดนะเป็นผลสําเร็จอันสมบูรณ์ ทำให้กิเลสดับสนิทจึงมีอรหันต์หรือมีนิพพานแท้ๆอยู่ในศาสนาพุทธเพราะว่ารู้จักกิเลสจริงๆเป็นนามธรรมกิเลสเป็นนามธรรมและกิเลสไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตวิญญาณกิเลสไม่อยู่นอกจิตนอกจิตวิญญาณไม่มีกิเลสกิเลสอยู่ในจิตวิญญาณเท่านั้นนะเราก็ต้องเรียนรู้คนนี่เป็นหลอดทดลองที่มีจิตวิญญาณเป็นตัว subject เป็นตัวที่จะพิสูจน์อยู่ในหลอดทดลองนี้ทุกคนจิตวิญญาณอยู่ในตัวคนทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะพิสูจน์ความจริงมี subject แท้ๆให้พิสูจน์ได้แน่นอนอพระพุทธเจ้าค้นหาวิธีพิสูจน์จิตวิญญาณได้จับจิตวิญญาณได้วิทยาศาสตร์ทุกวันนี้กยังจับจิตวิญญาณไม่ได้ ไม่มีอะไรสามารถจะจับจ awesome ิตวิญญาณได้จะรู้จักจิตวิญญาณได้ดีที่สุดเท่าจิตวิญญาณเองไม่มีอะไรที่จะจับกิเลสได้ดีที่สุดเท่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะเป็นตัวรู้เป็นธาตุรู้เป็นปัญญาเป็นญาณทัศนวิเศษที่จะสามารถจับกิเลสรู้จักกิเลสวิจัยกิเลสต่างจากจิตจับกิเลสมาพิสูจน์แล้วก็ทาลายกิเลส ยิ่งทำลายกิเลสจึงยิ่งจะรู้จักจิตวิญญาณยิ่งขึ้นเพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตวิญญาณครอบงําเหมือนมันเป็นจิตวิญญาณเลยมันแปลงตัวเหมือนแล้วมันเป็นเจ้าเข่าเจ้าของร่างกายชีวิตเหมือนเหมือนมันมันเป็นตัวเรามันมันมันใช้ตัวเราทําทีเป็นว่ามันเป็นตัวเจ้าเข่าเจ้าของอย่างแท้จริงแต่แท้จริงมันเป็นตัวปลอม พระพุทธเจ้าเรียกว่าอาคารตุกกะเป็นแขกเป็นแขกจอนเข้ามาอยู่อาศัยลรวยึดครองยึดครองจนเจ้าตัวเองก็หลงว่านึกว่ามันเป็นเจ้าของจริงถูกครอบงำนะเมื่อมีวิธีการและใดเราลองหัดละลดละแล้วจริงๆก็จะจับกิเลสได้กิเลสจะเกิดแล้วก็จะมีบทบาทนะกิเลสจะมีบทบาทสัมพันธ์นกันกับกรรม สัมพันธ์กรรกับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจึงเป็นเหตุให้เกิดเรื่องเกิดเรื่องดีเรื่องชั่วส่วนกิเลสมันไม่ค่อยขอเรื่องดีหรอกมันก่อแต่เรื่องชั่วแหละก่อแต่เรื่องให้ทุกยากให้ลําบากเพราะคนที่มีกิเลส ม, มากๆกลุ่มชนที่ไหนก็แล้วแต่กลุ่มชนใดที่มีกิเลส ม, มากๆกลุ่มชนนั้นไม่เป็นสุขมีแต่ทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนซับซ้อนอยากจะรู้หนักหน้าขึ้นไปทุกวัน นันโลกทุกวันนี้เนี่ยแม้จะเอาสามัญสำ น, นึกที่พอรู้ว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรเหมือนอย่างศาสนาต่างๆนี่มั น, น ย, ยังก็ไปจับต้นเหตุคือกิเลสนะสมุทัยอริยสัจก็คือกิเลนสเลนะที่มันก่อทุกข์นี่เยเลวทุกขสมุทัยอริยสัจที่ใ น, ในอริยสัจสีของพุทธเราเนี่ยตัวเหตุแท้ๆเลยถ้าดับเหตุไม่ได้ขาตัวเหตุนี่ไม่ตายจริงไม่มีทางเจริญสูงสุด แม้แต่เหตุนี่ระงับมันไม่ได้อย่างชัดเจนอย่างถาวรมันเป็นความเที่ยงแท้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้เรามันหมุนเวียนเป็นอนิจจังฉะนั้นถ้าเพื่อนไม่รู้ความจริงตรงนี้ศาสนาพระเจ้าถึงมีความเที่ยงแท้ที่ไม่อันอื่นไม่เที่ยงแท้มีเที่ยงแท้อยู่อย่างเดียวคือสามารถกำราบกิเลสได้เที่ยงแท้พอเข้ากระแสไปโสดาวันก็มีความเที่ยงแท้แล้วมีนิยตะนิยตะมีความเที่ยงแท้ไม่ตกต่ำไปกว่านั้นมีแต่จะ ไปสู่ที่สูงอันสูงสุดเป็นแอบสูตเป็นที่สุดในวร น, นิพพานสูงสุดของมนุษย์ก็คือ น, นิพพานมีแต่ทางจะเดินทางไปสู่อย่งงางนั้นได้อย่างแท้จริงรับประกันได้เลยนะเป็นหลักประกันที่ชัดเจนยืนยันได้นะพ ร, ระพุทธา ย, ยังไม่มีคุณธรรมหรือว่ายังมีคุณภาพถึงขั้นเข้ากระแสดังกล่าวนี้ไม่แน่นอนหมุนเวียนเป็นวัตจัก ต่ำตกต่าตําหนักขนาดไหนก็ได้สูงขึ้นไปก็สูงอย่างโลกรีเป็นสวรรค์โลกสวรรค์โลงโล่งสวรรค์เสพสุขเสพสมอยากได้สวยอยากได้งามได้สวยได้งามสมใจก็สุขอยากได้กินอร่อยสุขอยากได้ยศอยากได้ลาบได้ลาบมาสมใจสุขอยากได้ยศสูงสุขอยากได้สรรเสริญเยินยอสุขอยากได้เสพทางทะวนัน ทั้งห้าเป็นกาาคุณห้ามังเป็นกามารมกา玛คุณโลกียะโลกียามิตรอะไรต่างๆนาะนาะก็ได้เสพสมสุขสมก็เป็นความสุ ข, ส ข, สขนั้นสุขอย่างโลกีส่วนโลกุตระนั้นสุขอย่างลดกิเลส ท, ที่จะเสพสมฆ่ากิเลส ท, ที่จะเสพสมก็ว่างลงสงบลงดับลงแล้วก็อยู่เฉยๆว่างๆไม่ใช่อยู่เฉยๆยิ่งจะมีพลังงานยิ่งจะมีสมรรถนะเพราะไอ้เสพสมให้แกตัวเองนะ่คือความเห็นแก่ตัว ผู้ใดละความเสพสมให้แก่ตัวเองได้น้อยลงน้อยความเห็นแก่ตัวก็ลดน้อยลงเมื่อความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงโดยปัญญาคนมันก็รู้ก็เห็นแก่ผู้อื่นหรือช่วยผู้อื่นพลังงานก็สร้างสรรพลังงานสมรรถนะก็สั่งสมรรถนะความสามารถก็สั่งจะสามารถจะเก่งจะมีความรอบรู้จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดๆก็แล้วแต่สามารถได้ทําได้ฝึกฝนได้เมื่อฝึกฝนเป็นรอบรู้ได้ก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาทํา เป็นกรรมกรกรมกริยาเหล่านี้แหละเป็นกรกรมกริยาที่เมื่อไม่โลภทํางานไม่โลภทํางานเพื่อผู้อื่นทํางานเพื่อมนุษยชาติเมื่อยกพ็พักไม่เมื่อยก็เพียนสร้างสรรค์ไปจนกว่าจะตายตายแล้วอยากจะเกิดมาหมุนเวียนมาสร้างสรรค์ต่ออีกก็มีหลักประกันแท้เพราะสิ่งที่ได้เหล่านี้ไม่ใช่ของปลอมได้แล้วได้เลยได้แล้วก็ได้เป็นหลักเป็นฐาน ถ, าถึงขั้นเกรดที่มันจะไม่ลดต่ํากวเกรดเม็ลดต่ํากว่าภูมินั้นแล้ว อ, อย่างว่าขากระแสจะกระทั่งเป็ลดต่ําไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเนะอาวินิพาตธรรมทําไม่ตกต่าเป็นธรรมดาอย่างนั้นจรงิงเพราะจะหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัตนี้อีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชา ต, กชาติก็เป็นคุณของโลกเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะความเห็นแก่ตัวหรือว่ากิเลส ต, ตัวร้ายนี่มันลดจรงิงมันมีหลักประกันที่แท้ที่แน่นอนอะจะเกิดอีกกี่ชาติก็เกิดไปยิ่งเป็นพระอาหารหันต์แล้วจะหมุนเวียนมาเกิดอยู่ก็ยิ่งมีหลักประกันสมบูรณ์ ก็จะมีแต่ความรอบรู้มีแต่ความเชี่ยวชาญมีแต่โล ก, กวิทูมีแต่สิ่งที่จะเจริญงอกงามไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละในอนาคตไปอีกกี่แสนชาติก็ตามก็สั่งสมไปเพราะว่าโลกนี้มีมากมายนะเรื่องที่จะคิดขึ้นมาทับถมให้มันวุ่นวายเดือดร้อนยากรู้ยากที่จะรู้นี่มากขึ้นมาทุกวันนี้มีอะไรซับซ้อนจนที่ยากที่จะรู้นี่เยอะแยะ ถ้าไม่ล้างสิ่งที่มันปกปิดอัดอั้นทับถมพวกนี้ลงไปแล้วเราก็จะไม่ยั่งลงไปถึงก้นรากไม่ถึงรากไม่ถึงต้นเขาของสิ่งที่มันเป็นจุดต้นที่สุดได้จุดต้นที่สุดของการเกิดการทุกข์การโง่อวิชชาเนี่ยก็ต้องค้นเข้าไปถึงที่สุดจังงานให้ได้อ้ามาขึ้นต้นด้ยวยคำว่าชีวิตมนุษย์ษมนันเดมีอะไรนอกไปจากกรรมกับการเลยเนี่ย เพราะฉะนั้นคนเรานี่ถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้จักกิเลสแล้วก็ไม่รู้จักว่ากรรมกายกรรมก็ดีวัจีกรรมก็ดีมันกายกรรมวัจจิกรรมมันจะเป็นกรรมชั่วหรือกรรมดีมันก็เกิดจากจิตเป็นประธานจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงมโนมันเป็นตัวที่ให้กายออกมาเป็นอย่างนั้นให้กายกรรมทําอย่างนั้นให้วัจีกรรมทําอย่างนั้นตามอํานาจของจิตจิตมีอํานาจยิ่งใหญ่จิตวิญญาณนี่เป็นอํานาจยิ่งใหญ่ ในศาสนาอื่นเขาก็เข้าใจเขาก็เชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นอํานาจยิ่งใหญ่แต่จิตวิญญาณที่เป็นอํานาจยิ่งใหญ่นะั้นเขาไปยกให้พระเจ้าซึ่งเป็นจิตที่อยู่ไหนก็ไม่รู้จับไม่ติดแต่ของพระเจ้านี ine, ย่ยยนย่อมาเลยจิตวิญญาณถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกักบพระเจ้าพระเจ้าดีที่สุดจิตวิญญาณเราทําให้เหมือนพระเจ้าจิตวิญญาณในตัวเราก็ต้องดีที่สุดเป็นวินจิตวิญญาณเดียวกันกับพระเจ้า เพราะฉะนั้นการพิสูจน์ของพระพุทธเจ้าจึงพิสูจน์อย่างมีเป้าหมายมีสิ่งที่พิสูจน์อย่างชัดเจนมี subject แท้แต่ของศาสนาอื่นนะพระเจ้าจิตวิญญาณอยู่ไหนไม่รู้แม้แต่อยู่ในตัวเองก็ยังจับไม่ติดยังไม่แม่นเลยยังไม่ชัดเจนว่า subject แท้แท้อยู่ในหลอดทดลองนี้ยังความไม่ติดและยังไม่มีวิธีที่จะพิสูจน์จิตวิญญาณอันนี้ในศาสน า, สาที่มีก้อนทั้งหลาย <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์ได้แต่รู้เป็น ไอเดียนะรู้เป็นเป็นปรัชญาทุกสูงว่าจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณที่สะอาดจิตวิญญาณที่เห็นแก่ผู้อื่นจิตวิญญาณที่เมตตาคนทั่วโลกอะไรก็แล้วแต่จิตวิญญาณจิ้งใหญ่มีอํานาจมีอะไรนะก็ได้แต่ความเข้าใจอย่างนั้นแต่ไม่มาพิสูจน์จิตวิญญาณที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจะมีอํานาจที่แท้จริงก็ต้องมีคุณลักษณะนั้นจริงเพราะจิตวิญญาณในตัวโลกมนุษย์เนี่ยจิตวิญจาณในตัวมนุษย์จึง เป็นตัวเดียวกันกับจิตวิญญาณพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเรามีตัวที่ชัดศา ส, สนาพทดถึงพิสูจน์จิตวิญญาณได้ชัดถ้าทำให้จิตวิญญาณนี้สะอาดบริสุทธิ์ที่เรียกว่าอารหันต์พระเจ้าเรียกว่าอารหันต์ท่านก็นยืนยันเลยว่าหลักการอื่นทฤษฎีอื่นไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์อย่างนี้ได้จนมีําดับ บริสุทธาาิ์ระดับหนึ่งเรียกว่าโสดาบันระดับหนึ่งเรียกว่าสกิทาคามีระดับหนึ่งเรียกว่านาคามีระดับสูงสุดเรว่าลหาันไม่สามารถจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างนี้ได้อย่างแท้จริงทันถึงวันลัที่อื่นก็ได้ตามทฤษฎีอื่นได้แบบอื่นอาจจะเก่งนะเก่งช่วยเหลือคนได้อย่างดีแต่มีรางวันมีสิ่งล่อมีสิ่งจูงยังไม่หมดอา mith ในศาสนาได้แล้วแต่ เอาสรนเสริญล่อเอาพระเจ้าล่ออะไรก็ล่อจะต้องได้รางวัลได้อยู่กับพระเจ้าได้รับความดีงามอะไรต่างๆนานาซึ่งมันก็ดีเป็นพลังสูงเลยนะสูงทีเดียวแหะเพราะว่าพลังเหล่านี้เป็นพลังกระตุ้นมันเหมือนกับโลกนี่แหละเอาลาบยศสันเสริญล่อก็ติดเหยื่อพวกนี้อยู่กันไปทางธรรมก็เอาคุณงามความดีล่อเอาบุญล่อก็ได้ล่อเอาบุญกุศลคุณงามความดีมันล่อก็เป็นเหยื่อล่อ ถ้าเรามีปัญญาเข้าใจแล้วไม่เฉยล่อถ้าเราต้องการเราจะได้เราทํามันก็ได้แล้วเราก็วางใจอย่าไปติดยึดว่าเป็นเราไม่ได้แล้วก็อย่าเป็นเราเป็นของเรานี่พระธศาสนาพุทธมีการปล่อยวางไม่ติดมายึดไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีของเรามันซับซ้อนพลังผู้ที่เข้าใจยังไม่ดีก็เลยพลังไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะพลังสร้างสรรค์พลังเสสละเพื่อผู้อื่นก็ไม่แรงไม่แรงสู้สิ่งที่มีเยื่อล่อเมื่อคนโลกรีเนี่ยโอ้โหมีเหยื่อล่อลาภเสยละ กิจสุขล่อเนี่มุงเอาเป็นเอาตาเอาชีวิตเขาแหลกเลยเพื่อจะได้มาเสพสมสุขสมแต่ทางทำทางพระพุทธโดยเฉพาะศาสน า, าพูดด้วยเมื่อไม่มีลอกนี่มันก็เลยไปถอนซะไปถอนกําลังที่จะมุ่งมัน่นไม่มีตัวกูของกูมันก็เลยกําลังที่จะทําเพื่อสิ่งที่ไม่ไม่เพื่ออะไรมันก็เลยซับซ้อนน mm. ะแต่ถ้าเข้าใจดีแล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะพระพถ้าภูมิมาทำสูงแล้ว เสียสระโดยบริสุทธิ์ใจทำแล้วก็คือคุณค่าที่ดีทำแล้วยิ่งมีติดยึดจริงๆแล้วพลังที่สูงสุดเป็นแอบโตรูเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งแน่นอนเป็นพลังไม่มีถดถอยด้วยเป็นพลังที่ไม่ท้อแท้เป็นพลังที่ไม่ต่อรองไม่มีประชดประชันไม่มีน้อยใจไม่มีอองอเงอนอะไรไม่มีลักษณะกิเลสอย่างโลกียิ่งไม่มีเพระาะฉะนั้นก็เป็นสภาพที่จริงตรงเมื่อสูงสุดจริงแล้วเหนือชั้นกว่าพลังทางโลกี นเนื้อชั้นกว่ามีอิทธิบาทกว่าแล้วก็ไม่มีมัชชิมามีรู้จักการสมดุลรู้จักสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีได้เนียนกว่าดีกว่ า, าจึงเกิดสิ่งที่สูงสุดความสมดุลเนี่ยเป็นความสูงสุดในอะไรอะไรทั้งมวลจะอยู่นานแล้วก็ได้สภาพที่คล่องคล่องว่องไวราบรื่นเที่ยวชาญพล ง, งานสูงสุดอยู่ที่ความสมดุล ความสูญเสียกับสิ่งที่เกิดมันมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างพอดีพอดอีถ้าอะไรมันตวงไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าข้างใดข้างนั้นจะเกิดความสูญเสียมากกว่าดูเหมือนจะได้มากแต่ความสูญเสียจะยิ่งมากกว่าถ้าเพื่อความไว้ไมสมดุล น, นะนี่พูดสั้นๆพูดในสภาพประลัอมให้ฟังนะพวกเราได้พยายามศึกษาได้พิสูจน์มากันจนถึงทุกวันนี้ อาตมาทํางานมาไม่นานมันเพียง20กว่าปีพวกเราก็ศึกษากันมาทั่วประเทศก็มีกันพอสมควรเข้าใจและก็มีมักมีผลอะไรอะไรได้จริงก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งกระแสของสังคมโลกโลกีเนี่ยก็มากนะมากโดยทําเลยมากแล้วมันก็ต้านโดยธรรมแม้เขาเหมือนไม่ต้านแต่เขาก็ต้านโดยธรรมทวงอยู่กันเหมือนกับกระดาน 6- กสองด้าน เราอยู่ระหว่างกระดานหกอีกด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหทวงดุลโลกเขานี่นะไม่ต้องเอานอกประเทศไปถึงพลโลกถึงห้าพันเนี่ยจัมมาดูสถิติล่าสุดนี่ห้าพดรอยล้านแล้วคนพลโลกนี่ห้าพันแดรอยล้วนฉลองห้าพันล้า น, 5, านยกจ ก, กไม่นานเท่าไหร่นะไม่จัมมาว่ามันยังไม่ถึงห้าถึงห้าปีหรือยังฉลองห้าพันล้านมายกจก มนุษย์เขาสำรวจมนุษย์พลโลกกันห้า0ันล้านคนประเทศไทยก็เพิ่งสำรวจหกสิบล้านคนประโยกๆนะในจำนวนคนหกสิบล้านคนนี่เถอะเทียบกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยชาวอโศกอยู่ในหกสิบล้านคนนี่กระดานกระเดืองโอโ้โหใช้หลักอาร์คิเมเดสดูสิเนี่ยมันจะกระเดืองกันขนาดไหนอะ่ะเราต้องใช้คานยาวมากเลยของเรานี่มันถึงจะพอดึง จนจนวนประมาณเท่าไหร่ใน60สิบล้านคนเนี่ยมันมีน้ำหนักเท่าไรนะใช้กระดากันต้องทวงอย่างหนักเลยที่อาตมายกตัวอย่างนี้ก็มีความหมายว่าอโศรเรานี่อยู่ในสังคมอย่างโลกีเนี่ยเราจึงสู้รือทาน แ, แรงเสียดทานของโลกีนี้หนักไอ้ที่ไม่เข้าใจเลยมองเราเหมืนอนคนบาปบวมก็เยอะ เพราะค่านิยมรสนิยมหรือคอนเซปต์ของคนโลกีเขาน้นเขาเห็นอย่างนั้นก็ เ, เชื่ออย่างนั้นแล้วจริงๆริงเขาเชื่ออย่างโลกรีนั่นแหละมันต้องอยู่ในโลกเดียวต้องกินต้องสูบต้องดื่มต้องเสบต้องมีความสุขแล้วเขาก็เข้าใจความสุขแง่เดียวความสุขคือเสพสมสุขสมสุขอย่างมีรสอร่อยรสบําเรอร์บําเรออารมณอยากสมอยากก็สุข บำเพ็ให้กิเลสมันสมใจก็สุขไม่ใช่สุขอย่างว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสไม่ต้องก็ต้องบำเพลยบำบุองอะไรมันก็สุขแล้วสุขอย่างสงบสุขอย่างระ ง, งับเขาไม่มีเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นความจริงมนุษย์นี่ยบางทีเขากขาขาขา็บอกว่านี่มีข่าวคราวบอกว่ามีคนพยากรณ์นะว่าโลกจะแตกพศอีกเท่าไหร่อีกกี่ปีข้างหน้านะห9ึ 1999, ่งก่าเก้าก็อีกสามปีที สองปีกว่านี่มันหมดเก้าหแล้วนี่เก้าเจ็ดแล้วอ่าก็จะ ก, ก็ไปเก้าเก้าเก้าเามันแตกก็จะแตกเดือนมกราคมหรือแตกเดือนธันวาคมของปปสคสหนึ่งเก้ากอะเขาก็ไม่บอกมันมันจะแตกเดือนไหนอ่ะเดือนมกราหรือเดือนธันวาหนึ่งเก้า้าเ้าอ่ะอ่าเนี่ยมีคนพยากรณ์เอาไว้ไงว่าโรคจะแตกยิ่งบอกว่าโอ้โรคจะแตกแล้วเนี่ยพวกที่จะเสพสมสุกสมนี่เขาก็มีความคิดนะ ยังไงโลมามันก็จะแตกเราเราเธอมีชีวิตจ็หาสุขใส่ตัวก็แล้วกันเหมนะือนนะอ่าเสพสมสุขสมไม่ดูยังไงยังไงอีกปีสองปีมันตายงแง่ๆเราเนี่ยมันต้องหาความสุขใส่ตัวว่าไงนะต้องหาความสุขใส่ตัวไอ้ม่เขาเข้าใจสุขอย่างนึงเขาก็เลยย้ำเปใหญ่เลยบัมเรอใหญ่เลยนึกว่าไอ้ทินนั่นเป็นกําไรเป็นสิ่งได้เสพทั้งตหูจมูกลิ้นกายใจอ่าต้องเสพเสพ ก, กามารมเสพโลกิยารมณ์ คว้าอะไรได้ได้อะไรใหญ่ก็ต้องเอาสมอยากมันก็เลยยิ่งเกิดความความมากในการแย่งชิงหรือการแย่งกันเสพมากขึ้นนะส่วนพวกที่จะเข้าใจว่าโอ้นี่มันจะโลกจะแตกอีกสองปีต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลต้องเร่งสร้างเสียสละเถอะต้องรู้จักกรรมวิบากต้องรู้จักว่าคนเรานี่ถึงตายไปแล้วนี่มันไม่หมด มันมีควิบากมันจะต้องต่อไปอีกในสังสารวัตอีกจังยาวนานชีวิตเกิดตายเกิดตายแค่ชาตินึงชาติ น, นึงมันสั้นนิดเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเฉลี่ยแล้วว่าคนเราประมาณ60ปีเท่านั้นนะตายใช่หมหกสิบปีก็หมุนเวียนตายตายแล้วเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ60อายุ60ิคนทุกวันเนี่ยเขาเฉลี่ยงั้นนะใครมีสตังค์มากหน่อยก็ต่อให้เป็นมนุษย์พืชไปได้อีกเจ็ดสดปีบ้าง เราสตังค์มาเลี้ยงไว้นะแม่เป็นมนุษย์แล้วหรอกเป็นมนุษย์พืชไม่มีวิญญาณแล้วอเอาแต่ธาตุอาหารเลี้ยงเข้าไปให้สังเคราะห์เหมือนมนุษย์พืชเนี่จะไปไหนก็หามไปที่จริงมันคนเอาไปฝังไว้เอาเท้าฝังดินแล้วก็อยู่เหมือนต้นไม้นะมนุษย์พืชคือมันไม่มีวิญญาณแล้วเป็นมนุษย์พืชไม่เอาเครื่องที่จะมาต่ออาหารให้เพราะไม่มีรากเหมือนพืชแต่ดูดอาหารมาเลี้ยงตัวเองได้ก็เลยต้องต่อรากท่อ ท่ออากาศท่ออาหารท่ออะไรใสเข้าไปท่อน้ําท่ออะไรเข้าไปสังเคราะห์ร่างกายไว้ไอ้ท่อ น, นั่นแหะคือรากของมนุษย์พืชเป็นรากของมนุษย์พืชซึ่งเป็นรากเทียมไม่ใช่รากจริงเอาไปฝังดินก็ไม่งอกรากแน่มนุษย์นี่ยเอาไปฝังดินให้งอกรากมนุษย์มันก็ไม่งอกแต่นมนุษย์พืชไม่มีวิญ ญ, ญาณแล้วไม่รู้เรื่องหรอกมันก็เหมือนมีพลังงานทําให้เกิดเซลล์ต่างๆรักษาเซลล์ให้เซลล์มัน สังเคราะห์อยู่เท่านั้นเองนะนว่าตัดรากหรือถอดท่อเมื่อไรก็อายุสั้นก็พืชอีกถ้าถอดท่อตายเร็วก็พืชซะด้วยซ้ำเพราะมันไม่มีรากจริงๆมันเป็นรากเทียมนะเพราะฉะนัะ้นคนเราก็อยู่ไปโดยไม่เข้าใจสัจจะก็ เ, เป็นอย่างนั้นนะ ยิ่งบอกว่าโลกจะแตกก็ยิ่งเสพใหญ่ก็ยิ่งทําให้โรคเดือดร้อนมากขึ้นสังคมก็ยิ่งปั่นป่วนถ้าไม่มีพันธรรมรแต่คนมีธรรมะก็ได้ประโยชน์เหมือนกันว่าโลกจะแตกแล้วนะัเอา ร, ร, รีบสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่ามันไม่จบเราเรายังไม่นิพพานโลกลุงนี้แตกเราก็ต้องอยู่ในโลกใหม่อีกต่อไปอะโลกลุงไหนมีสัตว์โลกมันก็ต้องไปอยู่จนได้แล้วสต ร, ร, รีอะไรนามธรรมหรือว่าจิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่มีขอบเขตไปได้ทั่วหมดเลยอ น, นันตัง อสริรังอนันตังสัพพตโอปพังมันไม่มีขอบเขตอนันตังไม่มีขีดไม่มีขั้นไปได้ไกลทุรังคมังไปได้ถึงไหนไหนๆๆไปอยู่โลกไหนก็ได้มนุษย์อวกาศนี่ไปได้ไม่ไกลหรอกแต่วิญญาณเนี่ยมันไปได้ยิ่งกว่ามนุษย์อวกาศทุรังขมังไปได้ไม่มีขอบเขตอนันตังไม่มีที่กัน้นมันก็ไปตามวิบากโลกลงนี้แตกยังไม่ได้ปรินิพานมันก็ไปต่อที่อื่นใหม่ ตามวิบากของตนไปต่อนรกก็ต้องไปต่อกันใหม่ไปต่อสวรรค์ก็ต้องไปต่อกันใหม่ตามกรรมที่แท้จริงกรรมที่สั่งสมไว้อย่างไรอย่างนั้นไม่มีใครบิดผิวไปบิดผิวกรรมไม่ได้สัจจะไม่มีใครบิดผิวไม่มีใครโกงไม่มีรั่วหลน่นไม่มีรั่วหลน่นไปทำกรรมในที่รับที่แจง้งอันไหนไว้ครบอยู่บวกลบคูณหาร เป็นของของตนต้องรับมรดกของตนทั้งหมดไม่มีทุกไม่มีมมหกตกหลน่นนั่นคือสัจจะสัจจะไม่ได้หยาบหยาบเหมือนกับคนทําหกตกหล่นได้ลืมได้เผลอได้ผิดพลาดได้สัจจะไม่มีผิดพลาดอ่เป็นสัจจะที่แท้จริงนะ เ, เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้เรียนรู้ทฤษฎีสําคัญไม่รู้จักกรรมแล้วก็ไม่ระวังกรรมเมื่อไม่เชื่อว่ากรรมเนี่ยเป็นใหญ่ในชีวิต เกิดมาทุกคนถ้าระวังกรรมพยายามอย่าสร้างกรรมให้มันเป็นสุดทุจริตสร้างกรรมแต่เป็นสุจริตยิ่งสุจริตลึกสุจริตอย่างพระพุทธเจ้าก็คือทํากรรมกริยาที่สร้างสรรก็เก่งสร้างสรรแล้วก็ไม่หวงแหนสร้างสรรแล้วก็เอาไปเกือ้อกูลเอื้อเฟื้อเป็นการแจกจ่ายเสียสละลดความโลภให้แก่ตัวเอง เรายิ่งสร้างสรรได้มากเราก็ยิ่งเสียสละให้แก่คนได้มากๆมากๆความโลภก็ยิ่งลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้บุญหรือได้กุศลทางวัตถุหรือโลกีก็ยังได้บุญได้วัตถุทางลดกิเลสทางปรมัตถทางโลกุตระด้วยของพูดในมีโลกีก็ได้บุญโลกุตระก็ได้บุญไปพร้อมๆกันไปด้วยกันพร้อมกันเลยได้อันิสองสองด้าน เพราะพวกเราเข้าใจดีกันแล้วก็มาศึกษาขนาดที่เข้าใจแล้วมันยังไม่ง่ายนะกิเลสมันอยู่ในตัวเราเราจะรู้เลยว่าโอ้โหกิเลสนี่หมายเอาเรามาปฏิบัติก็อโศนี่จะรู้ดีว่ากิเลสมันมีจริงและกิเลสมันไม่ใช่ง่ายต้องยอมรับจอมจำนนคนที่มีญานปัญญารู้จักกิเลสตัวเองแล้วเนี่ยจะชัดเจนโอ้กิเลสเนี่ยแล้วหลายคน จนกระทั่งพอเห็นหน้ากิเลสแล้วก็เลยท้อแท้บอกตายแล้วเราจะลากกิเลสเราหมดเลวเนี่ยเห็นกิเลสตัวเองแล้วเสร็จท้อแท้ก็ขอยืนยันว่าท้อแทะไม่ได้หรอกคนท้อนั้นไม่แท้อยู่แล้วคนที่เอาจริงๆนะคนคนแท้แทะชาวพุทธาช ก, กิเลสแท้แทเนี่ยไม่มีทอ้อคืนท้อมันก็ถอยเท่านั้นเองซึ่งมันก็ไม่เจริญอะไรเนี่ยมันถอยอะมันถอยได้ไงมันต้องบุกบันมันต้องเดินหน้าเรื่อย ไ, ไปนะ ยิ่งเราเองมีกิเลสมากจะไปรอเมื่อไหร่จะไปให้ใครมาเอาออกกิเลสเราก็ต้องเราทำออกทางนั้นเองอไม่มีใครมาทำให้เราได้เราต้องทำเองแม้แต่ศาสนาคริสย์อย่างพระพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสอนคลายกันเหมือนกันนะแต่ไม่ให้มันชัดให้ไปพึ่งพระเจ้าอยู่นั่นแหละตั้งแตที่คำสอนนี้มันเป็นคำสอนที่มันชักจะชัดขึ้นมาแล้วแต่ท่านก็ไม่ชัด ท่านบอกว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยคนที่ไม่ช่วยตัวเองก่อนพระเจ้าจะไม่ช่วยคนที่ช่วยตัวเองก่อนอ้าวก็ช่วยตัวเองก่อนแล้วถ้าช่วยตัวเองได้แล้วพระเจ้าจะต้องมาช่วยทาไมเราใช่ไหมพระเจ้าหลอกหน่อยๆอยู่นะหลอกหน่อยๆอยู่นะพระเจ้าอ่าบอกว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยผู้ที่ไม่ช่วยตนเองก่อนอ้าวเราเขาต้องช่วยตนเองก่อนแล้วช่วยตัวเองได้แล้วแล้วพระเจ้าก็ไม่ต้องช่วยที่ยิ่งช่วยสําเร็จแล้วด้วยเนี่ย ก็สมบูรณ์เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยตัวเองจริงๆไม่ทําให้แก่ตัวเองจริงไม่มีใครทําให้เราหรอกยิ่งเรากิเลสมากดังที่กล่าวแล้วเรายิ่งต้องทํายิ่งมีโอกาสนี่มิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่เรามีพรักพร้อมเลยนะมีมวลเพิ่ไม่ได้เพื่อนดูแลเหลือเกินแหมกลัวกิเลสเราจะลดคิดว่าโกกิเลสเราจะไม่ลดกลกิเลสเราจะใหญ่เพื่อนเราเนี่ยโอ้โหเป็นตําตรวจชั้นดีนนเนี่ย ใครโผล่กิเลสออกมาพร่บโดนแล้วโดนตำรวจตำรวจเราเยอะไม่ได้แต่งตั้งเลยในะเป็นตำรวจตรวจคนอื่นแต่เพื่อตรวจตนเองครับตำรวจี่มดดูจะตรวจคนอื่นตนเองก็ตั้งบ่อนเองซะนี่แต่คนอื่นตั้งไม่ได้นะคนอื่นแยมออกมาจะตั้งบ่อนตรวจจับมาเดี๋ยวนี้วิสามันฆาตกรรมยังกำลังเฟื่องฟูนะวิสามันฆาตกรรมเฟื่องฟูตอนนี้ เราต้องตรวจของตัวเองให้สําคัญเขาคนอื่นกระเตือนเขาบ้างบอกเขาบ้างต้องมีบรญยับบญรยังต้องรู้จักขนาดต้องรู้จักประมาณแล้วก็พยายามช่วยกันนดีเจตนาดีให้คนอื่นเขารู้ตัวมันเพลอไผลได้ก็อาบอกกันบ้างแต่ต้องรู้จักจังหวะจักคนรู้จักกาละเทศะบ้างมากเกินไปบางทีก็เกิดโกรธกันชังกันไม่ชอบหน้ากันเพราะว่ามันซ้ซําซีซ้ซําแะหรือว่า จ, จําจีจำใช้มากเกินไปอะไรมันก็ไม่ดีก็ต้องมีภาวะพอเหมาะพอดีบ้าง สำคัญก็ที่เราในแหละให้สําคัญโดยเฉพาะคนที่ไปจี้เขาแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้มันไม่ได้ผลเท่าไหร่หรอกตัวเองก็ยังเคลอกอยู่เลยแล้วก็ไปสอนคนอื่นไปจี้กิเลสคนอื่นตั้ง ก, กิเลสตัวเริ่มเบลอเถรเลยเสร็จแล้วก็อยากจะไปทําให้คนอื่นไปจี้คนอื่นเขามันผลน้อยมันถ้าเราทําตัวเราเองให้กิเลสน้อยจนเขายอมรับเขายอมให้เคารพนับถือแล้วเราจะไปจี้กิเลสคนอื่นเขาบ้างเขาก็ยังพอพอยอม ก็ยังพอเป็นไปได้นะเรามาถึงระดับที่เราจะต้องรวมพลเพราะศาสนาพวกนี้เป็นศาสนาที่ไม่ได้เข้าใจธรรมชาติไม่ได้เข้าใจสัจจะเข้าใจความจริงแล้วก็เข้าใจธรรมชาติด้วยธรรมชาติของคนรู้สัจจะอันนึงของคนเป็นสัตว์โค้งเป็นสัตว์จะอยู่กับหมู่กลุ่มไม่ใช่สัตว์เดียวเพราะฉะนั้นศาสนาที่เข้าใจผิด ปลีกตัวไปเดียวไปนั่งอยู่แต่ผู้เดียวทำอะไรอยู่แต่ผู้เดียวแล้วก็สะกดจิตจนกระทั่งแบบรัธิฤาษีอะ่ะแล้วก็นี้นีปลีกไปแล้วก็ไปกดสะกดจิตแล้วก็อยู่แต่ผู้เดียวไม่รู้โลกนักเข้าก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโลกเขาไม่รู้อะไรเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้จากเขาเขาเป็นยังไงไม่มีความรับรู้ตัวเองก็นึกว่าตัวเองไปแล้วหลุดพ้นจากโลกนะซึ่งมัน เข้าใจได้ง่ายๆนะมันไม่ลึกซึ้งอะไรหรอกแต่ไม่เรียนรู้กิเลสแท้ได้แต่กดคมกิเลสเอาไว้เท่านั้นเองเนี่ยเป็นลัทธิที่พระพเจ้าก็รู้เกิดมาพบแต่หลักถึงนี้ทฤษฎีนี้จากอาลานดาบทอุทกดาบทสอนวิธีนั่งสมาธิได้กรูประชาญอารูประชาญกดสะกดจิตได้อยางงั้นอนะ่ะมันก็ไม่จริง น่าไม่จริงพระพุทธเจ้า ก, ก็ถึงไม่ไม่เอาอ้ยังงี้มันไม่ชัดมันไม่แท้แล้วเขาก็ได้ไปปลีกเดียวเพราะฉะนั้นาศาสนาฤึศีนี้เข้ามามากเลยในาศาสนาพุทธความความเข้าใจแบบาศาสนาฤึษีแบบวปฏิฤึศีนีเข้ามามากทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นแม้แต่ในประเทศไทยนี่นิกายเถรวาเนี่เอาจะนั่งหลับตาเข้าไปป่าเข้าเขาเ ข, าเข้าทําระวันพระปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติมรรคองแปดไม่ได้เข้าใจสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมารกรรมันตสัมมาอาชีวะ ไม่มีอาชีพเอาเลยและเป็นโมเมว่าอาชีพพระคือบินทบาทอาชีพพระคืองานหลักคืองานบินทบาทมันก็ยึงไปกันใหญ่เลยเนะอาชีพคือการงานที่ทําอยู่ประจําทําอย่างมีคุณค่าทำอย่างมีประโยชน์แล้วก็จะไปหมายเอาว่าอาชีพคืองานที่มีไรายได้ถ้าหมายเอางานที่มีไรายได้คัดแย้งกับศาสนาพุทธมากเลย ศา ส, สนาพุทธอาชีพก็คืองานในหลังงานที่ทำประจําทําอย่างสําคัญทําอย่างรู้คุณค่าอย่างสําคัญเป็นดิมานของสังคมด้วยมีความรู้กว้างขวาง ม, มีวิสัยทัศน์อย่างสมบูรณ์สามารถที่จะเข้าใจสังคมมนุษยชาติเพราะฉะนั้นท่านจะทํางานที่มันมีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์มนุษโลกยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าดิมานของสังคมทุกวันนี้เนี่ยดิมานที่สําคัญที่สุดก็คือคุณธรรมของมนุษย์ ทุกวันนี้คนคุณธรรมร่ายร่อมากเลยนอกจากไม่ร่ายร่ อ, รอด้วยังไม่พอแถมมีโทษธรรมไม่ใช่คุณธรรมมีโทษสรัทรรมีมภัยธรรมมีสิ่งที่อยู่ในตัวเองเป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อผู้อื่นเป็นโทษต่อสังคมมากนี่อกุศลมากนั่นเอง มีระบบวิธีเยอะแยะเลยระบบวิธีที่ทรมาน ร, ระบบที่ซับซ้อนที่ดูเหมือนดีแต่ที่แท้ร้ายซ่อนอยู่ในสังคมนีเยอะเพราะเขาสร้างวิธีการกันมาซับซ้อนมากมายเป็นวิธีเอาเปรียบเอารัดจนคนไม่รู้ว่าเป็นวิธีเอาเปรียบเอารัดชนิดลึกซึ้งซับซ้อนจนคนไล่ไม่ทันตามไม่ติดนะแล้วก็เลยเลวไหลแล้วทาให้โรคเดือดสังคมเดือดร้อนมาก แล้วทำไมมมาเรียนสัจธรรมแล้วมันไปไม่รอดถ้าไม่มาเรียนแล้วจะไม่รู้ความจริงลึกซึ้งดังที่กล่าวนี้ศา ส, สนาพูดก็ศาสนาที่มันเคียงเคียงดังที่กล่าวแล้วที่เอาแต่นั่งหลับตาเป็นหลักมันไม่อยู่ในมรรคองค์8ไม่ได้ปฏิบัติหลักธรรมตื่นตืนยังจับได้ไล่ทันมีสติสัพชัญญปัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับแต่เป็นเรื่องที่ชัดเจนยานปัญญานีนมีประสิทธิภาพที่สามารถจับได้ไล่ทันในนามมาทําอย่างละเอียดลึกซึ้ง แล้วก็ละเอียดเป็นลำดับลำดับลำดับละเอียดประณีตขนาดไหนก็สามารถเข้าใจได้และสามารถทำลายได้ทาให้ดับได้สนิทจริงตายสนิทได้จริงจึงไม่ฟื้นเลยจริงๆกิเลสตายสนิทจริงตายจริงทางในจิตแล้วก็ยังมีปัญญารู้ว่าเออเองควรตายนิรันดรนเองไม่ควรฟื้นขึ้นมาอีกเลยมีปัญญาชัดเจนเลยว่ากิเลสอันนี้เราฆ่าได้แล้วแล้วได้แล้วได้เลย เองไม่ควรเกิดมาอีกเลยเพราะไม่เกิดมานั่นดีเกิดมามันไม่ดีจริ ง, รงๆเพราะอะไรมันมันมาชัดเจนญาญปัญญาเหล่านี้ชัดเจนญาญปัญญาจึงเป็นตัวทําให้ถาวรทําให้เที่ยงแท้ทําให้ไม่เปลี่ยนแปลงทําให้ไม่เวียนวนไม่กลับกรอกให้ไม่กลับกรอ ก, ก, ก, รอกเป็นแล้วเป็นเลยได้แล้วได้เลยอย่างสนิทใจนะ เมื <differences. S 2> ่อมีสภาพความเป็นจริงเหล่านี้คนจริงๆที่มีคุณลักษณะตามที่กล่าวนี้จริงเป็นคนตามธรรมชาติตามสัจจะเป็นคนโคลงจึงมาทำประโยชน์แก่กันอะไรกันร่วมกันเป็นมวลที่มีทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นมีหลักเกณฑ์มีความเข้าใจมีความนิยมมีค่านิยมเหมือนๆกันคล้ายๆกันเป็นแนวเดียวกันมีทฤษฎีหลักเดียวกัน ว่าอย่างนี้เอออย่างนี้นะเป็นไปอย่างนีนะ้เป็นคนอย่างนี้นะดียกตัวอย่างง่ายๆว่าเป็นคนมาจนเนี่ยนะดีซึ่งฟังแล้วทางโลกท้งโล ก, กีก็ฟังแล้วออะไรว่ามาจนดีมาจนมันจะไปอยู่รอดยังไงคนเราขนาดพยายามจะมีฐานะร่ํารวยมันยังอยู่กันยากเลยถ้ามาจนแล้วมันจะอยู่รอดไงอย่างอาตมาเคยถูกทวงเนี่ยที่พูดก็ เจ้าหนุ่มคนนึงคือคือพูดถึงบ่อยพวกเราอยู่นานๆจะได้ยินบ่อยออถามอาตมาว่าอยู่ไงหลวงพี่เ อ, อก็อยู่มาที่มหัดรถ ล, ละมักน้อยสันโดดดีอเป็นหลงเลยทั้งโลกโล ก, กีไม่ร่ําไปรวยอะไรไม่ดีอไม่ร่าไม่รวยจะอยู่ไงเขาก็ทักไปคือคุยกันไปบอกว่าอาตมาก็อยู่แบบนี้และยิงไม่มีเงินสักบาทจริงดีพอตกคําว่าไม่มีเงินสักบาทเท่านั้นแหละเขาใส่เลยบอก ปดโถหลวงพี่ไม่มีเงินสักบาทก็ทักกับหมาตัวหนึ่งเงียสิว่งางั้นอ๋ออาตมาก็เป็นหมาตัวหนึ่งเงียสิว่งางั้นอาตมาก็บอกเขาว่าเอออาตมาก็ได้ถ ท, ที่คุณว่าอาตมาก็เป็นหมาตัวหนึ่งเงี้ยที่คุณพูดอย่างเงี้ยเพราะอาตมาไม่มีเงินสักบาทอะอยู่ได้ยัางไงเขาบอกคือมันเข้าใจยากอะพอเรามาพิสูจน์แล้วเนี่ยอาตมาก็ไม่ต้องไปพูดยาวอะพิสูจน์แล้วว่าอยู่อย่างอนาคาริกะอยู่อย่างไม่ต้องมีเงินมีทองมันมีระบบของมันเป็นสังคมกลุ่มแล้วมันจะมีระบบของมัน เงินก็มีแต่ว่าเราไม่เลยต้องสะสมหรอกทุกวัน น, นี้กลุ่มคนนี่นะกลุ่มธุรกิจกลุ่มนายทุนกลุ่มอะไรนี่สะสมเงินะระดับใหญ่ที่สุดก็ได้อัตราการได้มีอัตรารายได้อัตราการได้เนี่ยซับซ้อนได้เปรียบสูงสุดระดับรองลงมาก็ได้อัตราการได้ที่รองลงมาระดับรองลงมาก็ได้อัตราการได้รองลงมาไล่จนระดับต่าที่สุดเนี่ยถ้าไปอยู่ในเครือข่ายก็มีส่วนได้บางทีนี้ ในกลุ่มนี้น่ะอัตราการได้เขารวมกันแล้วเนี่ยเขาเอาเปรียบคนกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของเขาทั้งนั้นน่ทั้งนั้นใช่ไหมกี่กลุ่มล่ะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของกลุ่มระบบทุนนิยมเนี่ยดูดไม่มีวักไม่มีเว้นหลับตาก็ดูดลืมตาก็ดูดหายใจเข้าก็ดูดหายใจออกก็ดูดไม่มีหยุดนะไม่มีเขาไม่มีไม่มีลูกรอย แชร์ไว้ถึงตอนนี้หยุดลูกรอยมันระ ง, งับหยุดไม่มีไม่มีลูกรอยไปเรื่อยหยุดบุญอะไรกลับไปเอ๊น้ำมันชาลงเมื่อไหร่กลับไปเพิ่มให้มันเร็วอีกอย่างเก่าเอ้ยนี่มันลดพลังดูดลดแล้วต้องเพิ่มพลังดูดนี่คือกิเลส ท, ที่ไม่รู้จักพอไม่มีหยุดไม่มียัง้งไม่มีใครไปสอนให้เขาหยุดจังนะมื่ระบบที่ไม่มี ส้นโดดไม่มีการพอไม่มีการมักน้อยแล้วก็ไม่เห็นความมักน้อยนี่เป็นสิ่งดีไม่เห็นความจนเป็นสิ่งดีเขาเห็นแต่ความรวยเป็นสิ่งดีเนี่ยท่านผูพูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าเรามาจนเงี้ยดีใครจนได้ก่อนเก่งก่อนแต่อย่าเป็นโดดผงผังนะโดดพราะเรามาจนเลยตายต้องปฏิบัติว่ามันจะยังไงเราจะจนได้ยังไงต้องจนเป็นแล้วก็ต้องมีหมู่กลุ่มเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าศาสนาพูดไม่ได้คานแยงกับ สัตว์จะทำได้ไหมค้านแย่งกับธรรมชาติคนเป็นสัตว์โคองอยู่หมู่กลุ่มถ้ามีหมู่กลุ่มน้อยก็ไปไม่รอดอีกหมู่กลุ่มต้องโตโตพอสมควรยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งมีแรงสัพพัฒย์ยิ่งมีแรงจะเกื้อหนุนสังคมเป็นบุญกุศลเกื้อกูลสังคมได้มากขึ้นมากขึ้นเพราะพลังรวมพลังสร้างสรรค์ก็จะมากพลังเสียสละก็มาก นี่คือระบบวิธีคือปรัชญาของสังคมที่ทุกวันนี้ควานหาว่าจะเอาระบบอะไรมาแก้ไขปัญหาสังคมปัญหาทุนระบบทุนนิยมเนี่ยมันแก้ปัญหาสังคมไม่ตกอตาตมาขอยืนยันเลยการตมาจะตายอีกห้าร้อยรอบก็บขอยืนยันวมันแก้ปัญหาไม่ตกแก้ปัญหาสังคมไม่ตกทุกวันนี้แก้ปัญหาทุกวันจะแก้ไปเถอะรัฐบาลตั้งขึ้นมาบอกก็หมโพธณายกอ้างนําหน้าว่าจะตั้งกลุ่มคณะครีมทีมนี้ทีมเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจ มันไม่ใช่ประเด็นเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยมีแต่คนรวยนั่นแหะรูดรีดไปจากคนระดับล่างสูงขึ้นโลกสังคมยิ่งเดือดร้อนมันแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกขอยืนยันว่าแก้ไม่ตกจะแก้ปัญหาก็ต้องสร้างคนต้องสร้างคนต้องไปตั้งที่การศึกษาต้องไประดมที่การศึกษาการศึกษาก็ต้องเอาโลกรุตระเข้าไปใส่ด้วย ทำอย่างไรจะสร้างคนให้เป็นคนที่ลดโลภกลดหลงมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีชุมชนที่สร้างสรรค์และก็เสียสละเกื้อกูลออกไปจริงเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่สร้างสรรเสียสละกับกลุ่มนักธุรกิจทุนนิยมเนี่ยมาเป็นคู่ไฟติ้งฮาร์ด่าเลยเป็นคู่ต่อสู้กันน่าดูเลยกลุ่ม นักธุรกิจเพราะอัตมาพูดแรงไม่ได้พูดมากไม่ได้อัตมาเขียนถึงเรื่องธนาคารไปฉบับเดียวเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธจับความธนาคารไปเล่มนิดเดียวพูดเป็นนิดเดียวเท่านัดด้นเองโอ้โหอัตมามีผลสะท้อนมายากพวกนายทุนเขาเสียผลประโยชน์เขาเห็นว่าเราจะไปเปิดเผยเปิดโปรงอะไรต่ออะไรต่างๆนานาซึ่งอัตามาวิเคราะห์มาว่าธนาคารเนี่ย รีดไปนเนี่ยเผื่อใครบ้างนะรีดไปเผื่อใครบ้างอตาตมาพูดแค่สิบสิบตำแหน่งสิบระดับเท่านั้นนะสิบสิบช้อยของคนของที่เขารีดไปเผื่ออ่าเท่านั้นนะที่จริงมากกว่านั้นก็ได้นะอนตาตมาคิดไม่หมดหนุบรีดไปเผื่อ เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเอาไปเพิ่มเพิ่มไปตัวเองนี่หละใหญ่ที่สุดนองนั้นก็เพิ่มคนนั้นเพิ่มคนนี้เพิ่มให้พนักงานเพิ่มให้รัฐบาลค่าเสียภาษีค่าอะไรอะไรแม้แต่ที่สุดค่าเออเรอกันเอาไว้เขาก็ต้องบวกไว้ทั้งนั้นเนี่ยไม่เช่นนั้นเขาก็ไม่เขาก็ไม่รวยขึ้นแล้วก็มันก็ไม่ลดลงพระอาตมาพูดอย่างนี้นี่พวกที่อยู่ในระบบของทุนนิยมเขาฟังอาตมาเขาก็ถือเป็นศัตรูหมดนะถือเป็นศัตรูหมด ซึ่งตะมาไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาหราอกตมาเห็นแก่มนุษชาติเห็นแก่มนุษชาติเพราะงั้นกลุ่มของเราเนี่ยจึงจะต้องมีกลุ่มที่จริงจังมีกลุ่มที่เป็นระบบแข็งแรงเพื่อจะพิสูจน์ความจริงใจความแท้แท้เลยว่าเรามาอยู่อย่างไม่โลภโมโทสันเนี่ยเป็นสุขจะเห็นได้วพวกเราเนี่ยเป็นสุขจนกระทั่งต้องเข็น ต้องแขนเพราะมันเป็นสุกแล้วในข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บป่วยจะมีคนช่วยรักษาขีมา่ม้ามีคนช่วยกวาดผ้าขาดมีคนช่วยชุนฮะก็เลยไม่สร้างสรรค์ความขี้เกียจคือกิเลส ข, ขี้เกียจมันเป็นความเห็นแก่ตัวชนิดหนึ่งก็เลยไม่ค่อยทํางานก็ไม่ทํามันก็มีกินนี่นะก็เลยไม่ค่อยทําเนี่ยมันซ่อนเนี่ยมาเพราะฉะนั้นจึงต้องมาศึกษาหเห็นจริงแล้วว่า บันเวลากาละนี่มันผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันกาละทุ ก, กาละวินาทีทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญเป็นไงประทับใจไหม ทุกวินาทีเนี่ยเป็นวินาทีแห่งบุญวินาทีที่เราจะได้สร้างบุญเราจะได้เสียสละเราได้จะสร้างสารรค์ถ้าเราสร้างสารรค์เราทําวินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งเราก็ทําสิสร้างสารรค์สิสิ่งอะไรที่เราควรจะสร้างสารรค์เมื่อกลุ่มของเราเนี่ยเราตกลงแล้วว่าเราจะทําอันนี้แหละอันนี้เป็นดิมานอันนี้เป็นอุปสงค์ที่เราจะต้องสร้างลงไปในสังคมเราก็สร้างกันมันยังซัพพลายได้อีกมากมันยังไม่หมดหรอกเราก็ทําทําก็ไปแล้วเราก็มี วิธีการเผยแพร่วิธีการจำหนกแจกจ่ายวิธีการสรพพัฒตามหลักเศรษฐศาสตร์บุญนิยมด้วยมีหลักสรพพัฒตามหลักเศรษฐศาสตร์บุญนิยมอยู่แล้วใครมีหน้าที่เอาไปสรพพัฒนักบริการก็เอาไปสัพพัฒเรามีหน้าที่ผลิตก็ผลิตหน้าที่ผู้จะบริหารจะดูแลอะไรก็ทํากันไปอีกหน้าที่มีกันคนละหน้าที่ก็ช่วยกันสร้างสารรผสมปสานกันในครบวงจรมันก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งอาตมาว่าอีก ถ้าพวกเราเนี่ยนะได้พยันมันเพียนสร้างสรรค์กันขึ้นมาเนี่ยประสิทธิภาพมันสูงขึ้นพอเพียงอัตราการก้าวหน้าแห่งความเจริญมันมากพอเนี่ยนะสักสามสิบปีของเห็นรูปร่างเห็นหน้าเห็นหลังนะฮะอะไรกันอายุแค่นี้บ่นจะตายก่อนแล้วทำไมจะรีบตายเล่าอ้าวมาพูดถึงโลกแตกบ้างไม่กลโลกแตก มีคนมาถามนว่าอาตมาคิดยังไงโลกแต่อาตมาบอกอาตมาจะไปคิดทําไมอาตมานันเป็นคนคิดเรื่องโลกจะแตกแล้วรู้สึกยังไงวะอาตมาจะไปรู้สึกยังไงก็ฟังว่าโลกจะแตกอาตมาก็ฟังยังไปรู้สึกยังไงให้กลัวหรืออาตมาจ้างก็ไม่กลัวอยไปกลัวทําไมถ้าโลกมันจะแตกมันก็ตายหมดทุกคนยังไม่มีปัญหาอะไรมันก็ตายดยกันหมดทุกคนไปคิดทําไมคุณจะทํำยังไงเขาก็พูดต่อไ ป, ไปอีกเนซอกแซกเสาแสะไป ผวกมีบุญเท่านั้นน่ะโรคจะแตกเนี่ยมันจะมีภาวะแยกแล้วให้คนมีบุญนี่ตกลงไปในช่องนั้นก็ไปอยู่ในที่รอดพูดเป็นนิยายนะสร้างหนังมาขายก็ดีนะและพวกที่เหลือนี่ก็จะอยู่แล้วก็โรกมันแตกแล้วไอ้ที่รอดรอดไปอยู่โลกไหนอ่ะทะลุออกนอกโลกนี้ใช่ไหมไอเราแตกในช่องนั้นเราไปอยู่ในอวากาศนั้นเราไปลอยพุทธเข่งแต่งอยู่นั่นนะจะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นดาวดวงหนึ่งก็ไม่ได้จะเป็นเศษอุกาบาทก็ไม่ได้ เป็นทุลีอะไรอยู่ในอวกาศแล้วไปอยู่ในกี่นาทีอยู่ในอวกาศเดี๋ยวก็ตายเป็นเศษทุลีอะไรอันหนึ่งอยู่มันจะไม่มีท่าอะไรนะเพราถ้าว่าโลกแตกก็เป็นปัญหาอะไรนี่แตกก็จะแตกจริงก็หมดก็ตายไปแล้วตายไปแล้วเป็นไงกรรมวิบากใครสร้างไว้แค่ไหนอ่ะนี่สิสําคัญ เขาไม่บาปใครสร้างไว้แค่ไหนก็ข้านั้นอาตมาไม่มีปัญหาลออ้ออาตมาว่าอาตมารสร้างเขามีบาปเขาอาตมาไว้เป็นกุศลอาตมาก็ได้รับไปตามของอาตมาใครมีน้อยก็ต้องขยันเข้าสิโลกจะแตกก็ขยันเข้าสร้างกุศลเขาสิถ้าเขาบอกว่าโลกจะแตกแล้วคุณเชื่อเอาคนรีบสร้างเข้ายิางกไม่กี่ปีนี่ขยันหมั่นเพียรเขาสิอจย่าเพิตายก่อนกันเลยกันขยนันจนใจขาดตายนั่นก็เกินไปใช่ไหมมันไม่มีปัญหาอะไรนี่ ถ้ามันไม่แตกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกเลยแหละมันไม่แตกเสียสภาพตื่นเต้นตกอกตกใจไปเปล่าๆสุด่วยมไม่ไปตื่นเต้นไปตกใจทําไมล่ะก็ธรรมดาสบโมธรรมดอปกตอหอหอจอจอมอชอยอลอลลลไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมอชอยอลอลลลไม่มีปัญหาเลยเมื่อใครจะมากรุข่าวแมสเนี่ยมาตื่นตูมโอ้ยโรคจะแตกอย่างง้นอย่างนี้ยธรมามีปัญหาเลยหรอกธรรมาก็ฟัง คิดตามด้วยก็ได้คิดให้อีกก็ยังได้เลยอย่างที่อาตมาพูดไปนั่นอาตมาคิดให้คิดให้อย่างที่พูดไปนั่นนะไม่น่ากลัวตรงไหนฮะเอาละจะแตกหรือไม่แตกก็แล้วแต่คนมันกลัวโลกแต่ละกลัวตายสรุปง่ายๆอาตมาก็ถามหน่อยว่าใครไม่เคยตายมีใครบ้างไม่เคยตายยกมือขึ้นเกิดมาไม่เคยตาย เชื่อกามเชื่อวิบากไม่ ld? เชื่อสังสรารวัตรไหมถ้าเชื่อสังสรารวัตนะคนที่เชื่อสังสรารวั ต, แ ล, วตแล้วก็ต้องรู้ก็ต้องเชื่อว่าเออเราคงเราคงตายมาแล้วค่อยเกิดเพราะว่าถ้าเราไม่ตายนั้นเราก็คงไม่ได้มาเกิดชาตินี้นะใช่ไหมแล้วก็คงมีชีวิตอยู่ชาติโน้นนะเพราะยังไม่ตายใช่ไหมก็ไม่ต้องตายจะมัต้องมาเกิดชาตินี้ใช่ไหมก็ถ้าเชื่อสังสารวัตรมันก็ต้องต่ออยู่ตรงนี้เพราะคุณยังไม่ปรินิพานตายจริงจริงตัวนอนหร อ, นอน ตื่นขึ้นมชาติใหม่นะมันก็มันก็คล้ายกันน่ะตายก็นอนหลับก็คล้ายกันนะแต่มันก็มีหลายอย่างที่มันไม่คล้ายตรงที่ว่าคนยังไม่ตายแต่นอนหลับนี่มันยังมีรูปนามขันห้ามันยังมีความเชื่อมต่อมันยังมีทั้งเซลล์ทั้งประสาททั้งอุปกรณ์ที่จิตวิญญาณยังอาศัยเป็นครูหาสยังเป็นแท่งกอนเป็นกำบังเป็นที่กำบังอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้อุปกรณ์นี้ได้แต่ถ้าคุณตายจริงๆแล้วไม่มีแล้วไอ้รูปนามขันห้านี่ไม่มี อุปกรณ์ต่างๆไม่มีนี่มันจริงยิ่งกว่านอนหลับเพราะฉะนั้นเหมือนกับอาตมาเคยอธิบายฟังว่าถ้าเผื่อว่าคนเรานี่จะลองนึกเดาก็นด้นึกเนาดูตอนที่คนถูกอํานี่นะถูกผีอําถูกผีอําแล้วเราก็จะดิ้นดิ้นออกมาให้มันออกมาในถวาวรทั้ง5ใช่ไหม มันดิ้นยังไม่ออกเลยยังไงอย่างงั้นนะ่ะมันไม่มีทวารทั้ง5ให้ออกแล้วมันมันยังไงยังงั้นน่ะคุณจะเป็นอย่างงั้นน่ะขนาดฝันรายตอนถูกอํานี้นะคุณจะอยู่ยยางานดินแล้วคุณก็ออกไม่ได้ <m> คุณไม่มีทางออกคุณจะเป็นอย่างงั้นอยู่นั่นแหละไปนั่นอีกนานับปีทุกอยู่อย่างงั้นไม่มีทางแก้ไขแต่เวลาคุณตื่นมาทวารหน้าห้านี่นะมันก็แก้ไขมันลืมอนนู้นไปแล้วมันก็มารับอันอันใหม่เข้ามาผสมประ ส, ร า, สารตามหัวใจหั่างกายมันก็มารับสภาพพวกนี้มันก็เลยค่อยหยุดชั่ว แต่ถ้าไม่มีแล้วผีอำก็ถูกอำตอ่อเพราะฉะันคุณดิ้นออกมาไม่ได้ยังไง น, นั่นแหละยาวนานไปอีกนานมากเลยตายแล้วจิตวิญญาณจะเป็นอย่างนั้น น, น, น, นั่นแหละนรกคุณปรับได้แต่คุณปรับได้คุณก็ปรับสิคุณปรับผีอำไม่ง่ายที่ไหนมีแต่จักรดิ้นออกมาคุณปรับไม่ออกเค ย, ยไหมเคยถูกผีอำป่ะนั่นแหละมันปรับไม่ออกหรอกมันก็อยู่อย่างนั้นมันปรับไม่ได้หรอกมันมีพลังเท่านั้น แล้วมันก็จนกว่ามันจะหมดแรงบิบากแรงกรรมแรงอะไรของคุณคุณต้งจะหยุดไปอันนี้แพีอัมนี่ก็คือเรื่องชั่วคราวเรื่องชั่วเดียวนะพีอัมนี่ไม่ใช่เรื่องทาวรด้วยแต่ว่าบุญบาปกามบิบากนะ่ะเรื่องทาวรหนักกว่านั่นมีบาปที่สองสักมีอ่ามีบากอื่นๆใ ด, ดๆมันก็มีรวมอยู่ของมันก็ต้องไปรวมตัวกันไปสังเคราะห์ ก, กันอีกทีนึ่งนะเพราะเป็นเรื่องที่เราเดาก็เดาไปอาตมาก็พยายามยกตัวอย่างที่มันพอ จะคเนตตามได้นะให้ฟังเล่าให้ฟังเพราะน่ากลัวจิตวิญญาณที่เราตายแล้วเราไม่มีจิติญไม่มีรูปร่างกายเนี่ยมันยิ่งน่ากลัวทุกข์กว่าทุกจริงสุขกว่าสุขจริงเพราะมันจริงกว่ามันเรื่องของจิตวิญญาณเท่านั้นมันไม่มีอะไรพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องคุณจะไปร้องใครช่วยก็ไม่ได้ปากก็ไม่มีเล่าคุณจะไปทําอะไรก็ใครไม่ได้แล้วจิตวิญญาณมันไม่มีปากมันไม่มีเสียงมันมีอะไรมันเป็นโลกของส่วนตัวเอกกับจรัง มันจะไปไหนก็ไปตัวเดียวอันเดียวเดียวเดียวโดดๆมันไม่มีหรอกไอ้ที่มันเดาๆกันว่าเราไปพบคนนั่นไปพบคนนี้ไปพบหมูในนรกไปพบในสวรรค์ไม่มีอันนั้นเรื่องเดาทางนั้นจิตวิญญาณเอกกัจรังไปเดียวๆอยู่เดียวๆไปไหนมาไหนด้วยตัวเองทูรังกำมังจะไปไกลไปใกล้ของตัวเองไม่เกี่ยวอะไรใครที่จริงมันไม่ไปมันไม่มาโดยซ้ำมันมันเดากันทงนั้นนะมันไม่เป็นอะไรเพราะมันยิ่งกว่าวัตถุทุกทั้งหมด แค่ไอสไตน์เถียงกันกับควอนตัมควอนตัมกับโฟตอนเทียงกันว่าแสงนี่มันเป็นควอนตัมแสงนี่เป็นโฟตอนแสงเป็นก้อนหรือแสงเป็นคลื่นเถียงกันพิสูจน์ใหญ่เลยนะเป็นทั้งสองอย่างไม่มีใครตัดสินเลยสองคนนี่เทียงกันสองคนถูกทั้งสองอย่างเลยชนะกันทั้งคู่เลยจนบัตเนี้มีใครตัดสิน <Okay. S 1> แค่แสงเนี่ก็มันก็เป็นวัตถุอยู่ ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่ามันเป็นก้อนหรือเป็นคลื่นต่อเนื่องเท่านั้นนะเป็นคลื่นต่อเนื่องมันไม่ใช่เป็นตัวตนที่วิ่งไปเป็นตัวตัวตัวนี้รอดไปเป็นตัวนี้ไม่ใช่เป็นคลื่นกระทบกันคลื่นๆเท่านั้นเองเขาวางงานพิสูจน์ว่าแสงนี่เป็นคลื่นกับแสงนี่ว่าเป็นก้อนเป็นตัวตัวแท่งเป็นอนูหนึ่งมันไม่ใช่ทั้งไอ้แสงมันไม่ใช่ทั้งแค่แสงนี่ยังพิสูจน์กันไม่ได้ วิญญาณมันละเอียดกว่า น, นั้นอีกไม่เป็นทั้งก้อนไม่เป็นทั้งคลื่นเดาไม่ได้มื่มันเดาไม่ได้เอ่อเซตม า, ก, มมม ก, าก็พูดไม่ได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็พูดไม่ได้พระพุทธเจ้าพูดได้มันเป็นอะไรท่านก็นตัดไปแล้วสีให้พวกเราอย่ามาเถียงกันทําไมจะต้องมาคิดนั่นคิดนี่ทำไมถ้าตัดได้ท่านบดระ บ, บุเป็นภาษาคนได้ใช่ไหมมันระ บ, บุไม่ได้ระ บ, บุได้ได้ข้างเคียงระบุเป๊ะไม่มีภาษาพูด วิญญาณจิตวิญญาณระบุเป๊ะไม่มีภาษามันได้แต่พูดของข้างเคยียงที่ไปอย่างงั้นอย่างนี้ลักษณะอย่างงั้นนี้เอกจรังทุรังคำมังอันนันตังอะไรก็แล้วแต่สุดทัศสังอะไรต่างๆนานาที่ดูในเราคิดอะไรแตมาพยายามคน้นคำบรรพชาสิทธิแต่ว่าวิญญาณคืออะไรบ้างมาขยายความให้ฟังเ ล, เ ล, เ ล, เล็กๆน้อยๆเท่าที่บางคนคว้าได้อาจารม่จะนักคนควา้านักฉวย ในชานะคนควา้ามีก็ช่วยเอามาใช้แต่ทไม่ก็ไปค้ น, คนมาชนตากล่วคว้าเลยถ้าไม่ชนก็แล้วไปชนก็คว้ามาใช้ช่วยมาใช้ถ้าไม่ชนก็อาตมาก็ไม่ขอคนควา้าถ้าไม่เป็นนักคนควา้าถ้าอาตมาเป็นนักคนควา้าโอ้อาตมาจะต้องทํางานในทางวิชาการนี่มากกว่านี้แล้วไม่มีเวลาจะมาทํางานทางด้านบริหารทางด้านสร้างสรรค์ทางด้านอะไรพวกนี้เลยจะกลายไปเป็น นักวิชาการไปหมดมันก็ไม่พอแต่แต่ตว่าวิชาการเหล่านี้ก็ค่อยเป็นไปตามลำดับไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันจะเกิดไปตามหรากจะมีคนที่จะมาเรียบเรียงมารวบรวมมาทำอะไรต่ออีกให้มีภูมิที่แท้ก่อนเมื่อมีภูมิที่แท้แล้วก็ต่างคนต่างถนัดแบบไหนก็จะมาขยายรวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรไปนในอนาคตนะ เมื่อเราได้ ม, ing, มาพิสูจน์หลักฐานจริงมาพิสูจน์ทฤษฎีจริงของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วได้ความจริงหรือได้มรรคได้ผลได้ความจริงจึงเกิดเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยมีคนที่ลดละได้ลดละอบายมุกซึ่งเป็นกิเลสหยาบคนธรรมดาเขาก็รู้อบายมุกไม่คอดีแต่เขาทนไม่ได้ขนาดเป็นนั่งเล่นไัยเอามาถ่ายรูปเอาประจานกันในสอสอหรืว่าพระโหรโฮนสถาบันมีเกียรติยิ่งใหญ่นะ สภาประเทศน่ะรัฐสภามันไม่ใช่สภาเล็กๆเมื่อไหร่ใช่ไหมก็ยังอบายยมุก็ยังเล่นกันอยู่ได้แล้วก็กินเวลารัศดรไปทํางานแท้ๆแล้มันหนีไปนั่งเล่นไพ่กันโอ้ห้าเกลียดหน้าชังอย่างนี้เป็นต้นอบายยมุกก็รู้นะอายตัวเองก็อายนะแต่มันอดไม่ได้กิเลมันติดอย่างงั้นน่ะเพราะถ้าผมเป็นเลิกไปล้างให้สิ่งติดเหล่านี้มันก็ติดอยู่อย่างนั้นแหะ ถล้างเลิกได้ก็จะหลุดพ้นออกมาหลุดพ้นออกมาจากโลกอบายจากโลกที่หยาบหาบชัดๆัดนะเล่นไพ่เล่นการพนันสิ่งเสพติดแม้แต่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาดูดติดยาบ้ายาอะไรทั้งนั้นอนะ่ะเลิกมาเม็ของเบาๆมือก็ธรรมดาสามัญจะไปวาดติดอะไรมาเไม่แต่ติดยาดมระวังนะพวกเราติดยาดมไม่ถอดไม่ถอดเนี่ยเนื้ตมูกแหว่งอนะ่ะ แม้แต่ติดยาดมมันก็เป็นสิ่งเสพติดไปติดอะไรกัน น, กก น, นะขนาดจะดมเพราะว่าเรามีโรคมีภัยให้มันแก้ขัดแก้อะไรตายไปบำบัดไปพอสมควรก็ใช้แล้วก็จิตวิญญาณไปติดไปเสพมันเข้ามันก็กลายเป็นสิ่งเสพติดยาดมก็เสพติดได้ยานัดนั้นไม่ต้องพูดเลยถุนกันอยู่นั่นนะตะมูกมะมม่ย่ะเนี่ย ถ้าเราไม่เลิกสิ่งที่ติดมาอะไรมันก็ติดลาบมันก็ติดยศมันก็ติดสันเริญมันก็ติดจะว่าไปแล้วไม่ต้องว่าแต่ติดกามเลยมันติดทั้งนั้นแหละมาล้างความติดยดให้หลุดพ้นภาษาง่ายๆภาษาท่านกับว่ามานานแล้วให้หลุดขาดกิเลสไม่ต้องไปติดไปยึดรู้มันมีอยู่ในโลกเมื่อจิตนี่หลุดพ้นจริงโลกมันก็มีอบายมุกมันก็มีอะไรมันก็มีแต่เราไม่ได้ติดมันน่ะเรารู้ว่าควรหรือไม่ควร ถ้าจะควรเอามาใช้ประโยชน์สังเคราะห์ชีวิตอยู่ก็<ม>ใช้พอสมควรไม่ต้องไปฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรจริงๆแล้วไม่อยากฟุงฟฟ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยด้วยเพราะปัญญามันก็รู้ว่าฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมันก็ผลานถ้าให้มันได้พอเหมาะพอดีมันก็ดีน้อยไปมันก็ขาดก็มันก็ชัดๆอย่างเงี้ยจะใช้พอเหมาะก็พอเหมาะอ่านุ่งผ้าก็นุ่งให้พอเหมาะพอดีน้อยชิ้นเกินไปก็อุจารก็รู้รู้ มากเกินไปก็โหทะหนักวุ่นมไม่เห็นเขาถ่าอะไรนี่เป็นต้นหรือแม้แต่กินก็เหมือนกันใช้ก็เหมือนกันซึ่งเป็นสัจจะคนมีปัญญารู้ความพเหมาะพอดีแล้ว ก, ก็ไม่เปลืองนอกจากไม่เปลืองเราสมรรถนะเราสูงก็สูงก็สร้างไปสิเมื่อคนมารวมกันมีพลังสร้างสรรค์มีพลังลดละอย่างนี้จึงเกิดกลุ่มที่จะมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์เสียสละที่จริง เนี่ยพูดเขยาย้ายความมาในฟังให้ดีๆเถอะนี่เป็นเรื่องจริง อ, อ่านี่เป็นถ้าจะบอกว่านี่เป็นทฤษฎีเป็นหลักการหรือเป็นระบบที่ย่ำระบบสำคัญก็เป็นระบบที่มนุษย์ทำได้ช้างมาางูควายทำไม่ได้ไม่ได้ช้างตัวใหญ่ๆมันก็มาทาตามทฤษฎีที่ว่านี่ไม่ได้นี่คนเท่านั้นละทำได้คนทำได้ก็เป็นคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นด้วยทาไม่ได้ไปทั่วไปหมดหรอก ซึ่งเราก็รู้เอาไวในยศัสตร์หรือสัตว์ที่สอนไม่ได้สอนไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องไม่มีภูมิปัญญาที่จะทําทได้เลยทั้งๆที่รู้นี่ก็ยังทําได้ประมาณหนึ่งอีกประมาณนึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง ก, ก็จะไปพัฒนาขึ้นไปมันก็จะมีระดับไปเรื่อยๆมีสูงกลางต่ำซ้อนสอดกันอยู่เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ได้แล้วก็ได้ช่วยสังคมเรื่อยมาเรื่อยมาผู้ใดยังไม่ได้เห็นสิ่งดีนี่ก็ทําตามกันเมื่อปรารถนาสิ่งดีนี้ก็ ไล่เลียงออกมาเมื่อเผยแพร่ไปเพียงพอและความเจริญของหมู่กลุ่มมีรูปธรรมมากพอก็เห็นได้ก็ดูได้ง่ายขึ้นมีริดมีแรงของมันไปตามธรรมชาติอัตมา ถ, ถึงบอกว่าพวกเรานี่ต้องสร้างให้ได้จนกระทั่งคนตาบอดเห็นได้ไม่รู้จะทำยังไงต้องสร้างจนกระทั่งคนตาบอดเห็นได้ ต้องสร้างไปอุตสาหะภาคเพียนทาไปมีชีวิตบอกแล้วว่ากาละแต่ละวินาทาี น, ทนี่เป็นวินาทีแห่งบุญไม่ใช่วินาทีแห่งการฉลอผัดวินาทีข้างหน้าก็ได้วันนังสายไปมันต้อง up to second ไม่ใช่ up to date วันหนึ่งมันไม่ไหวหรอกขืนไปชะลอถึงอัปเดตนี่มันไม่ทันสมัยแล้วมันต้องอัปทูเซคันน่ะทุกวินาทีเดี๋ยวนี้มันเร็วจริงๆมันเร็วาราคาอยู่ที่สังคมเร็วๆเขานี่อย่างสังคมญี่ปุ่นใช่ไหมแม้แต่เดินช้ามยังชนเลยใช่ไหม น, นี่คนอยู่ญี่ปุ่นมาเนรู้ดีแม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ย ขึ้นเดินช้ามันชนล้มเลยแล้วล้มแล้วมองด้วยนะไม่ใช่ลมแล้วสงสารนะล้มแล้วมองดูถูกฮะ อ, กอ้มัดชาอยู่างนี้ได้ไงนะไม่ใช่ว่าชนลมแล้วจะอุ้ยขอโทษช่วยไม่ดูถูกด้วยขมด้วยสังคมมันรวปมันรีบร้อนสังคมมันต้องรวดเร็วมันอะไรใจแล้วมันเร็วจริงๆไม่ใช่ว่ามันเร็วเล่นๆเพราะงั้น ในทางที่มันไปสร้างสิ่งที่ทับถมสังคมสังทับถมความเดือดร้อนของโลกคนที่ไปสร้างทับถมความเดือดร้อนของโลกมันก็เร็วที่ขมีขมันสร้างแล้วเราโมจะอ่อยอ่อย อ, อยทั้งยิ่งยากกว่าด้วยแล้วเมื่อไรทันน่ะโลกแตกอีร้อยลูกจะทันไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นน่ะ โรคแตกอีกร้อยลูกก็ไม่ทันถ้าเผื่อว่าคืนไม่เข้าใจชัดเจนเพราะนั้นทําไมเราต้องขมีขมันทำไมเราจะต้องขยันทําไมเราจะต้องรีบความจริงก็ต้องรีบอย่างที่กล่าวแล้วเพราะว่าเราไปบอกให้เขาช้าเขาไม่หยุดหรอกเขาไม่ช้าบอกชะลอหน่อยพวกที่เอาเปรียบเอารัดนะ่ะอะชะลอหน่อยเธอชะลอหน่อยได้ไหมขนาดไปชะลอดอกเบีย้ยเขายังไม่ค่อยจะยอมเลยใช่ไหมไปชะลอดอกบง่งดอกเบี้ยนี่ห น, หนอก็ไม่มีใครยอมท่านั้นนะ่ะ เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราก็ได้ไปห้ามเขานอกจากเราจะทำตัวเราเนี้เร่งขึ้นไปให้เท่าเทียมกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันมีความจริงอยู่อย่างหนึง่งคุณภาพของความดีงามกับคุณภาพของความเลวทรามนี่นะมนุษย์มีสัญชาตญาณหรือมีสามัญสำนึกนะมันมีสามัญสำนึกรู้ว่าความดีงามกับความเลวทรามเนี่ย ความเร็วสามมีน้ำหนักจริงความดีงามมีน้ำหนักจริงแต่ความดีงามมีประมาณน้อยนี่ทวงความเร็วสามประมาณมากได้มนุษย์มีความสำนึกเกรงความดีไม่ได้เกรงความชั่วเพราะฉะนั้นมนุษย์มีสามันสำนึกอันนี้อยู่จริงเพราะฉะนั้นความดี แม้ไม่มากเท่ากับความชั่วก็สามารถทวงดุลความชั่วได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำความจริงนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยมีประชาชน60สล้านเ้าเถอะนี่ไม่ใช่ไปดูถูกกันนะไม่ได้ดูถูกคนหรอกจะมีมนุษย์ที่ทำชั่วชวอยู่ในสังคมโลกนี้ถึง 60% 70% มนุษย์ดีๆ 30% ิจริงๆนี่ก็ ถ่วงกันได้พอสมควรนะถ้ายิ่ง50 50้าแล้วกระดานกระเดืองเนี่ยชนะแล้วนี่เป็นเรื่องจิตวิญ ญ, ญาณนะสำนึกนี่จิตวิญญาณสามานึกนี่จิตวิญญาณจิตวิญญาณก็ต้องมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นกระดานกระเดืองเนี่ยความดีหรือคนดีเนี่ยคนดีห0บคนไม่ดีอีกห้บกระดานหนี่คนไม่ดีชนะแล้วชนะลอยตัวเลยายแม่แต่แค่ คนดีส0บคนไม่ดีเจ็สิบเนี่ยทวงกันได้พอสมควรแล้วทุกวันนี้นี่เรายังไม่ถึงสาสิบเรายังไม่ถึงส0สิบเราต้องเร่งรัดพัฒนาให้ยิ่งกว่า30สิบนี้ให้ได้เพราะข อ, อไปให้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่นี้ให้ได้ให้ไปถึงส0สิบเป็นอย่างน้อยจึงจะพอทวงดุลสังคมนี้ได้ถ้าเราทำได้ประเทศไทยทำได้มันก็จะเป็น อัตราส่วนที่จะเทียบไปหาโพลา์โลกได้เมื่อคนไทยมีพลโลกคนที่มีรัฐทอย่างนี้มีสภาพอย่างนี้มีระบบวิถีชีวิตอย่างนี้เท่านี้ปริมาณเท่านี้20ล้าน30ล้าน40ล้าน50ล้านอะไรก็แล้วแต่ก็ไปทวงปริมาณของปริมวลมนุษยชาติในโลกขึ้นไปตามลาดับทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดนะ ไม่มีอะไรไม่สัมพันธ์กันอย่างไอนสไตล์พูดนะถูกแล้ว r e l a t i v นะทุกอย่างเป็น r e l a t i v ทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยไม่สัมพันธ์กันสัมพันธ์กันหมดนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราทำเนี่ยเราไม่ได้ทําหมายความว่าเราเอเรารอดตัวคนเดียวาศาสนาพระเจ้านี้เป็นประโยชน์ต่อพระชนะหิตายะเป็นประโยชน์ต่ำมวลมนุษยชาตาิเป็นส่วนใหญ่ไปเรื่อยๆพรชนะหิตายะพรชนะสุขายะทําให้สุข โลกนี่เป็นสุขเป็นสุขอย่างดีเลยเป็นวุปุสมโสมุสุขเลยไม่ใช่สุขอย่างโลเ ก, กียองกล่าวแล้วแต่ตนนาโลก า, นกาอนุกรรมปายะอนุเคราะห์โลกศา ส, สนาพุทธอนุเคราะห์โลกไม่ใช่ว่าปลีกตัวไปบรรลุแล้วก็ไปตัวเดียวๆหลุดพ้นโลกก็เอาตัวคนเดียวเอาตัวรอดมันใครจะมาตัวศาสนาพุทธเป็นศาสนาใครไปปฏิบัติธรรมอู้นีเอาตัวรอดคนเดียวคนนั้นไม่เข้าใจศาสนาพุทธเนี่ยไปปฏิบัติธรรมในสุสีสเป็นหนีเอาตัวรอดคนเดียว ไม่ใช่เนี่ยเอาตัวรอดศา ส, สนาพระเจ้าเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วเนี่ยยิ่งจะช่วยมนุษยชาติไม่ใช่เนี่ยเอาตัวรอดอ่าเข้าใจผิดถนัดเลยคนที่พูดอย่างนั้นเป็นศาสนาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติจริงๆเป็นศาสนาที่อนุเคราะห์โลกกุ้มชูโลกเกื้อกูลโลกอยู่จริงๆไม่ใช่ศาสนาเปล่าดา ไม่ใช่ศาสนาบรรลุหลุดพ้นแล้วหลุดลอยออกจากโลกไปเลยไม่เกี่ยวอะไรกับใครเลยไม่ใช่เนี่ยมันมันมีความหมายที่พูดเพีย้ยนความหมายที่พูดออกมาแล้วเข้าใจเข้าใจผิดไปได้ศาสนาก็เลยไปไม่รอดทุกวันนี้ไปไม่รอกิเลสเขครอบงำตามเดิมเพราะความศรัทธาก็ศรัทธาอย่างนั้นอย่างนั้นแหะศรัทธาไม่จริงศรัทธาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ชัดเจนศรัทธามันไม่มีปัญญาประกอบมันก็เลย ไม่ค่อยได้ประโยชน์ถ้าเรามีศรัทธาที่มีปัญญาประกอบดังที่กล่าวแล้วก็ปฏิบัติมีความจริงมีมรรคมีผลมีอะไรจริงจึงจะเกิดความจริงนั้นขึ้นมานันผูดใดที่เข้าใจศาสนาพุทธแล้วก็มาภาคเพียรสำหรับ ก, กรรมกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมของเราให้เป็นกรรมที่มีประโยชน์คุณค่าได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปในตัวเรื่อยเื่อ ชีวิตเบิกบานร่าเริงชีวิตมันก็จ ะ, จะว่าเป็นอุปกรณ์ภาคภูมิก็ได้มันภาคภูมินะเรามีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมอย่างชัดเจนเราไม่ได้ไปรีดนาทาร่นไม่ได้ไปเอาเปรียบเอารัดมนุษย์ชาติมันดีจริงๆมันอบอุ่นใจมันภาคภูมิใจจะภาคภูมิไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรที่จริงความภาคภูมิใจความแหมรู้สึกปราบปลื้มรู้สึกปิติยินดีในสิ่งที่เราได้ทําดี มันก็ดีอยู่มันเป็นพลังในศาสนาอื่นๆเขาใช้พลังอันนี้เป็นการสร้างสรรไปตลอดแต่ของพุทธเนี่ยต้องมาลดพลังอันนี้ด้วยมันจึงมันจึงไม่มีพลังสร้างเท่าศาสนาอื่นศาสนาอื่นจะเห็นได้โอ้โหเขาศรัทธาแรงเขากรเฮียนกระฮือรือดีไม่ดีใครอย่ามาแตะศาสนาเขานะเขาเอาตายส่วนศาสนาพุทธเราไม่เป็นไรลน้อยที่จะไปเอาเรื่องเอาราวกับคนที่มาวุ่นวายกับศาสนาพุทธ ปล่อยไปเรื่อยๆไม่ได้เราปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวา ง, วางไม่ค่อยอไม่ค่อยกระหายกระหายหรือาศาสนาอื่นนะั่งแต่จริงๆมันก็ดีเป็นลักษณะที่เราให้อิสระเสรีภาพไม่มีบีบบังคับไม่มีการไปครอบงําใครจะเป็นไปใครจะรู้ใครจะยินดีใครจะเอาก็าเอาใครไม่เอาก็แล้วไปไม่เชิงบังคับน้อยาศาสนาพุทธเชิงบังคับน้อยเป็นาศาสนาที่อิสระเสรีภาพให้เกียรติแก่ ทุกๆคนสมัครใจเอาไม่สมัครใจก็แล้วแต่ใครจะยินดีไม่ยินดีเป็นศาสนาอย่างนั้นเพราะฉั้นถ้าผู้พู ด, พดไปแล้วศาสนาพวกนี้สอดคล้องกับสมัยใหม่คือเป็นศาสนาแห่งอิสระเสรีภาพที่สมบูรณ์แบบขัดสอดคล้องแต่พร้อมกันก็มีมันการมีหลักเกณฑ์แต่หลักเกณฑ์ที่เราสมัครเข้าไปในหลักเกณฑ์ พระนี้คล้ายๆก็มาบังคับในหลักเกณฑ์แต่เราเอาตัวเราเข้าไปเข้เขเขเขเขากลับเกณฑ์เองถ้าเราจะไม่เอาเราก็ลาออกมาเราจะถือศีนห้าคุณกถ็ถือเองแล้วทําเอาให้ได้คุณจะถือศีนแปคุณก็ทำของคุณเองคุณจะมาบวชเป็นพระศีนตองเยอะตงองแยะคุณก็มาสมัครเอาเองไม่สมัครคุณก็ศึกมาได้ไม่มีปัญหาอะไรอไม่จ่ายค่าเช่ามาสมัคร บ, บวชเป็นแล้วแล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่าบวชตั้ง10ปีต้องจ่ายเยอะเงินนะไม่ ศึกไปก็ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรไมันมีการัตนตีไม่ใช่บ่ศึกไม่ใช่บ่ศึกก็มาอยู่แล้วมารู้ความลับภายในออกไปแล้วต้องตามลากเก็บไม่ได้เนี่มาอยู่นี่ต้องเยอะเราเลยต้องตามล่าตามเก็บไม่มีอ่ะไม่มีเอาไปพูดได้เลย ว, ว่าอยู่ที่นี่เป็นยังไงโออยู่ที่นี่เนี่ยโมโหเคร่งอย่างนั้นแคร่งนี้พูดให้ถูกนะจะไปพูดใส่ยสายความกันแล้วกันพูดดีๆเป็นยังไงเอาไปพูดอยากให้ไปพูดด้วยอยากให้เอาไปเปิดเผยด้วยนะ ลึกลับซับซ้อนอยังไงได้เอาไปพูดเลยเพราะศาสนาพุทธเนี่ยไม่กลัวเราทําสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ปิดบังสิ่งดีสิ่งยิ่งน่าโพรธนาเราแน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแต่บางอย่างมันกลับมันมันปฏินิสสขะมันเป็นความกลับสัจจะย้อนสภาพเหมือนกันอย่างที่ยกตัวอย่างง่ายๆว่ามาจนเนี่ยดีกับไปรวยไปรวยมันจะไปโกอะไรใครๆมันก็นิยมเดี๋ยวนี้เต็มบ้านเต็มเมืองอยากรวยกันทั้งนั้นอะ มันไม่มันไม่เป็นดีมานอะไรเลยมันเฟอสุดเฟอคนอยากรวยนี่สุดเฟอแต่คนอยากจนนี่โอ้โหมีดีมานสูงม า, มากเลยแต่ไม่ใช่จนอย่างสินไรไม่ตอกนะจนอย่างสง่าจนยังมีคนมากราบเออคนไม่กราบคนไม่มีรองเท้าก็ได้ไว้คนมากราบคนไม่มีเงินสักบาทก็ได้คนมากราบคนไม่มียอดไม่มีศักอะไรเลยก็ได้ แล้วเขามากราบอย่างศรัทธาด้วยอย่างเข้าใจอย่างมีปัญญาว่าทําไมต้องกราบคนคนนี้มีคุณค่าประโยชน์อะไรกับสังคมถึงกราบเขามากราบอย่างมีปัญญาอย่างเข้าใจด้วยไม่ได้รวยไม่ได้มียอดปีศักดิ์ไม่ได้อานาจ บ, บาดใหญ่อะไรจริงๆแล้วแม้แต่สันเสริญก็ไม่เคยมีเลยถูกด่าด้วยถูกด่าถึงด่าเป็นไดร้อยฉานนั่นแหละไม่ใช่ด่าธรรมดา ่เป็นเรื่องเป็นเรื่องย้อนแยงเป็นเรื่องแต่ว่าปฏินิสัขคือเป็นเรื่องเป็นสัจจะย้อนสภาพกลับกันแต่เป็นไปได้ไมเป็นไปแล้วได้แล้วมันเป็นดีอย่างไงดีจริงๆอย่างไรนะมันชัดแทบอะ้รได้หลายอย่างที่มาศึกษาเข้าแล้วพวกเราที่มาศึกษานานๆก็จะรู้จะเข้าใจแล้วก็ให้พิสูจน์พิสูจน์ไปแล้วเมื่อเห็นจริงแล้วมันก็ไม่มีปัญหามันก็ดาเนินไป เพราะผู้ใดดําเนินไปในทิศทางนี้อย่างหมดปัญหาก็คือสิลนวิจิกิช้ามีแต่จะพัฒนาให้มันเจริญอะไรที่มันยังเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปให้ได้เป็นไปได้เป็นไปได้ก็เป็นแกนเป็นแกนเป็นแก่นเป็นเนื้อแท้เป็นเนื้อที่จะสืบทอดต่อไปอีกยาวนานนี่แค่10ปี20ปีก็ขนาดนี้แล้วสาปีก็จะเป็นขึ้นอาตมาไม่กลัวเลยไม่กลัวเห็นหน้าลาลาลาลาไม่กลัวเลยว่าใครจะไปไปเลยไม่อยู่ก็ไปไม่ได้เอาอะไรหลอกล่อเอาไว้เลย มาบอกเสมอมานี่มาหมดตัวหมดตนจะมาจนะจะมาเป็นงัวงานจะมาช่วยสังคมจะมาช่วยมนุษยชาติอื่นทําไม่ได้ทําแล้วก็ไม่ได้หรอกแต่ได้ได้ความจริงที่มันเป็นนามธรรมาเป็นคุณค่าคุณเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นอะนะคุณได้แต่ไม่มีไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีอะไรได้อะไรได้ที่เสีย <c oughs> ฟังแล้วก็เมาเมาได้ไอทิทธิเสียไปให้เขาอะไอทิทธิสละไปให้เขาะนั่นแหละคุณได้คุณให้ไปนั่นแหละคือคุณได้คุณเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อเขาก็ต้องฟังชัดๆดูเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกไม่ได้เปรียบเรามีแต่เสียสละแต่นั่นแหละคือได้เมื่อคุณชัดแล้วคุณก็สบายใจไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อยู่รอด ยืนยันว่ารัฐที่นี้อยู่รอดหรือว่าระบบนี้อยู่รอดระบบบุญนิยมนี่อยู่รอดทุนนิยมมันไม่รอดนี่มันหนักหน้าขึ้นทุกวันเลยหาวิธีการซับซ้อนนี่ระบบหุ้นแล้วมันจะระบบอะไรอีกต่อไปไม่รู้นี่ระบบการเงินเศรษฐกิจฟองสบู่นี่มันหุ้นแล้วมันจะระบบอะไรอีกไม่รู้มันต้องคิดหาอื่นมาอีกมันต้องคิดหาวิธีแค่รวบรวมวิธีที่จะหลอกล่อเอาเงินมาหมุนเอาเงินมาซับซ้อนเนี่ย หลอกล่อ ก, กันไปหลอกล่อ ก, กันมาได้แค่นี้มันยังไม่พอหรอกมันต่อไปมันยิ่งจะซับซ้อนมันยิ่งจะเดือดร้อนมันจิงจต้องหาวิธีต่อไปอีกไม่รู้จะระบบอะไรประมาอีกแล้วก็ไปตกเข้าเครือข่ายกับเขาเมืองไทยก็ไปอุตสาห์ไปเล่นหุ้นไปเอาหุ้นเขามาสายประเทศเข้าไปอีกโอ้แล้วก็ไปผูกเขาไว้หมดเลยกระเทือนึกันหมดแล้วไม่ได้เปรียบเขาหรอกนะผู้ที่มีอํานาจทั้งด้านที่ได้อิทธิพลหรือว่าได้เปรียบ เขามีเปรียบอยู่แล้วนะอันนั้นเขาได้เรานี่ก็คือส่วนหนึ่งก็เหมือนกันกับพวกนายทุนใหญ่ๆที่เล่นหุ้นอยู่แล้วก็ได้เปรียบกับพวกรายย่อยเนี่ยมันก็เป็นลูกโซ่ปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆ อ, อยู่ในเมืองไทยนายทุนใหญ่เมืองไทยก็ได้เปรียบจากพวกคนระดับคนไทยที่รายย่อยนายทุนใหญ่เมืองนอกมันก็ไปได้เปรียบนายทุนใหญ่ของเมืองไทยที่ผูกกันไปโยนโย ง, ยงทอดอีกต่อหนึ่งไปมันไม่มีทางได้เปรียบเขาหรอก ถ้าได้เปรียบเขานะ่เขาอยู่ไม่ได้เพราะนั้นพังที่เขาไม่พังเมื่อใดนั่นคือการอยู่ได้คือเราเสียเปรียบไปตลอดกาลนานอัตมาก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงเพราะอัตมาก็ไม่มีอิทธิพลอะไรไม่ยิ่งไม่ใหญ่อะไรเลยที่จะไปพูดไปห้ามไปกัน้นบอกได้กพวกเราขนาดนั้นพวกเรายังมีบางคนไปแอบเล่นหุ้นอยู่บ้างฮะอ๋อหุ้นพวกเราที่ พรานพวกเราไม่มีปันผลแล้วก็ไม่ใช่หุ้นตลา ด, ดนูนะ่นน่ะหุ้นไม่มีดอกเบีย้ยหุ้นเอาเงินมารวมทุนกันเพื่อที่จะสร้างสารรค์เพราพวกเราเป็นคนจนมันมันไม่มีใครมีเงินก้อนใหญ่ๆเพราะฉั้นจะลงทุนทํางานอะไรที่จะต้องใช้ทุนมากๆหน่อยจะตั้งบริษัทจะทํากิจการนั่นนี่ที่ต้องใช้ทุนพวกเราต้องมารวมกันเอามารวมกันแล้วก็ไม่มีดอกเบีย้ยนี่ดีไม่ดีไม่ได้คืนด้วยแม้แต่ต้นก็หายเสร็จแล้วก็บริจาค ก, กันอ้าวสุดท้ายก็บริจาค ก, กันไปเลยก็เยอะไปพวกเราอ่ะก็ไม่เสียสละอย่างเงี้ย หุ้นของพวกเรามันนั้ไปได้เปรียบที่ไหนหรอกอันนั้นเขาเล่นหุ้นกันเขาลงหุ้นเขาจะต้องได้ปันผลได้ดอกโอ้โหมาที่ได้ปันหุ้นกันขนาดนั้นขนาดนี้ขนาดราคาต้นขนาดราคาพามันแค่10บาทมันขึ้นไปถึงห้0เจ0รอมันบ้าบ้าบบเห็นมั่นเป็นปันกันหลอกทั้งนั้นน่ะอ๋อนี่แสดงว่าอยู่ในขายนี่ฟังวะนี่นี่นี่นี่ี่นี่ นี่นจับตัวได้แล้วนี่อย่างนี้นี่นะจับตัวได้นี่นี่ น, นีก็มีแต่หุวหนี้ของคุณสหกรณ์เขาพวกเราเนี่ยกกทบีบอกว่าสหากรณ์เขาพวกเราไปพูดกับทางพกลุ่มสหกรณ์เองก็บอกบอกว่าสหกรณ์ที่นี่เราขอตั้งเป็นประเภทที่เจบุญนิยมเนี่ยมีหลักสําคัญยังไงบอกหลักของบุญนิยมก็คือสมาชิกที่นี่เนี่ยเมื่อเป็นสมาชิกแล้วก็เอาเงินมารวมหุ้น และสมาชิกพวกนี้ไม่รับปันผลไม่มีปันผลไม่มีดอกเบีย้ยสมาชิกพวกนี้ถ้าเป็นสมาชิกในส่วนในทางานไม่เอาเงินรายได้เรียกแลกเปนอีกด้วยนี่เป็นหลักการใหญ่ใครจะเรียนแบบก็เอาสิเอาดิเรียนแบบเมื่อเงินมารวมกันแล้วเสร็จคนมายืมไปก็ไม่มีไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยคุณทำได้คุณทาสิถ้าตนไม่หายก็ให้มันรู้กัน ที่นี่ไม่ไม่มีคนมายืมไปทํางานก็ไม่มีดอกเบี้ยคนเอามารวมเงินมารวมก็ไม่ได้ดอกเบี้ยเจ้าของเงินก็ไม่ได้ดอกเบี้ยคนมายืมไปทํางานก็ไม่ได้ดอกเบี้ยเป็นระบบไม่มีดอกเบี้ยไม่มีปันผลมีกองกลางเท่านั้นแล้วก็เฉลี่ยกันสัพพัดกันทํางานกันสร้างสรรค์กันมันไม่ใช่ลัทธิง่ายๆนะมันไม่ใช่ระบบง่ายๆระบบยากถ้าคนไม่จริงไม่มีได้หรอก คนไม่ถึงไม่ได้แล้วเพราะงั้นเราทำอย่างนี้ได้เราจึงเกื้อกูลกันได้และมักน้อยสนโ ด, ดได้จริงเราจึงมีพลังงานส่วนเหลือแล้วก็มีส่วนที่ผลิตสร้างสรรได้กินน้อยใช้น้อยแล้วก็ไม่สะสมไม่กอบโกยทุกอย่างเอามารวมมนกองกลางสะพัดกันได้หมุนเวียนกันได้เพราะฉะนั้นก็นมีปฏิกิริยาลูกโซ่จเจริญพัฒนาออกไปได้มีอัตราการก้าวหน้าคืบหน้าไปได้นะเพราะทุกวันนี้นี่พวกเราก็ มีสภาพที่พอเป็นไปได้น่ะมีการกอบกอ่อกันรวมหมู่กลุ่มมีพลังงานมีการผลิตมีการสร้างสรร์มีกิจกรรมมีกิจการมีอะไรอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสมาอาชีพเป็นงา น, เ ป, น, น, านเป็นนั่นเป็นนี้พิ่งขึ้นเป็นรูปเป็นร่างพเพราะฉถ้าเผื่อว่าชุมชนราชธา น, นีอโศกนี้สามารถที่จะทํากิจการอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นวงจรสมบูรณ์ซึ่งเราก็ประมาณไม่เอามากเพราะที่นี่จะ ระวังเรื่องแมสโตรดักอย่างมากเพราะแมสโ c รดักนี่เป็นความทำลายเป็นเครื่องมือของนายทุนชั้นสูงซึ่งซับซ้อนมากอาตมาเองอตาองอตมายังไม่มีเวลายังไม่ได้ไปเรียบเรียงว่ามันอะไรอะไรบ้างที่มันสูญเสียมันมีตัวรั่วซึมสูญเสียมันอะไรอะไรไม่ต้องเอาอะไรมากแล้วแต่แค่ค่าขนส่งนี่ก็ระบบทุนนี้ยมไปแบบไปการไอแมสโตรดักเนี่ยการขนส่งนี่ก็สูญเสียไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้ว เพราะฉะนั้นนี่ไม่หรอกจะสัมพันธ์กันต่อเนื่องก็เป็นระดับลูกโซ่ใกล้ก็สัมพันธ์กันส่วนใกล้มันจะไปถึงระดับธรรมชาติที่นี่กินอาหารลักษณะนี้ต่อๆไปก็พอรู้ก็ครับช่วงด้วยต่อๆไปต่อๆ ไ, ไปอีกหลายๆจังหวัดไม่รู้จักอาหารชนิดนี้ของทางนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้จักคุณไม่นิยมก็ไม่ต้องไปถึงตงนนัวโนนก็ไม่ต้องไปกินตรงนี้ก็กินกงแค่นี้ก็พอแล้ว ถึงเอาอันนี้นี่ใส่รถขนไปนะโอ้โหกว่าจะไปให้ทั้งโน้นรู้จักกินต้องไปโฆษณาเสียค่าโฆษณาโปรโประกันดา ก, กันกว่าจะกินเป็นกว่าจะรู้จักเอาผักหมาว้อของราชธานีเนี่ยไปขายกรุงเทพมาสิเดี๋ยวนี้รับรองนี่อีก5ชาติยังไม่รู้จักกินเลยกินเป็นแต่ผักอีเดียรนนะ่ะผักกาดผักขนากระลำปลีกินอยู่นั้นตั้งปีตั้ชาติกินอยู่แค่นั้นอนะ่ะโถผักกินได้ต้องมีตั้งนาน า, นาสารพัด แล้วผักคณะผักกาดก็มีเต็มมลพิษฉีดยากันเต็มไปหมดเลยที่นี่ผักอมีธาตุอาหารธรรมชาติที่แท้จริงเลยั้งมนุษย์บรรดากินกันมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็กินคนก็กินก็ใช้มาตั้งเท่าไหร่มีสารพัดผักสารพัดพืชเพราะคนในกรุงนี่นะมีความรู้เรื่องอาหารพืชผักจิ้มเดียวเกิดมาจนตายกินเป็นอยู่แค่นั้นพอเจอผักอะไรแปลกแปล กินได้เบื่อลองดูสิกินเข้าไปอุ้ยทำไมรสอย่างนี้ก่อไช่ดิก็ะมารสอย่างนี้ทีนี่คือความสั้นความตื้นความไม่กว้างความไม่ดึกเพราะงั้นก็นกนเลยอาศัยธรรมชาตินี้อยู่นิดเดียวผิวเผินทั้งท้งที่ธรรมชาติาธรรมชาตินี้กว้างขวางธรรมชาตินี้มากมายธรรมชาตินี้อุดมสมบูรณ์นี่อาตมามี อธิบายให้ฟังปัจจุบันธันดูนี่แค่นี้ฟังนะมันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ม, มีความต่อเนื่องอีกเยอะเพราะความสูญเสียเรื่องความที่เปลืองเปล่าไม่เข้ายาเนี่ยมันมีอีกเยอะอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยเอาสิเอาผักมาว่าไปโฆษณาขายกรุงเทพเนี่ยโอ้อยางอีกนานกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะนิยมแล้วเสียเวลาไม่ต้องคนกินเป็นรับต่อได้เอาไปถ้ามันจะเป็นเองเอาอีก10ปี20ปีร้อปีกว่าจะไปถึงกรุงเทพผักมาว่ามันจะร่วมกันเร็ไปตามลําดับ ก็จะรู้เรื่องก็จะนิยมกินผักหมาวอได้เงี้เป็นตน้นแสบเ <c oughs> จ้าแสบที่ตีนเจ้า <c oughs> แต่กรุงเทพเขาจะแสบเี่ยนะเขาก็ยี้ทนันต์ตัวยี้ก็ยิ่งยิ่งกว่ารัฐมนตรีอีกเนาะ <c oughs> เขาไปเจอเขาก็ก็ยี้ทนันต์เดเมเอาละอาตมาได้สาธยายเนื้อหาสาระที่มันเป็นธรรมะประกอบกับชีวิตมนุษย์ ขึ้นต้นด้วยคว่ากรรมกับการพระมนุษย์เราเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจจริงๆแล้วนี่เวลาวันเวลาผ่านไปเนี่ยนอกจากจะสูญเปล่าแล้วยังทำลายสร้างบาปนี่น่าเสียดายเพราะเราจะต้องรู้จักเวลาทาเวลาให้เป็นบุญพระ ว, วินาทีทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญแล้วก็พัฒนากรรมของเรา ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมกายกรมรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นของเราเพราะฉะนั้นพยายามที่จะพัฒนากรรมให้เป็นกุศลให้เป็นบุญให้เจริญเจริญอย่างไรนี่เราต้องมาเรียนรู้กุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะไม่ใช่ของธรรมดาเป็นอภิธรรมเป็นธรรมะอันยิง่งเป็นธรรมะชั้นสูงซึ่งเราเข้าใจเพลินไม่ได้ประเดี๋ยวก็จะไปเข้าใจเพี้ยนอย่างที่กล่าวแล้ว ไปมัวเมาในโลกียะมันก็เพลินแล้วก็ติดยึดกันอยู่พูดกันยังไม่รู้เรื่องบ้างอย่างเป็นสัจจะย้อนสภาพยังพูดกันบางคนยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจยังไม่ได้ฟังแล้วก็ยังเออดีได้เลยยกตัวอย่างอีกอย่างง่ายๆม า, าไม่ใส่รองเท้านี่คือคนเจริญคือสิ่งที่ดีงามพูดในตายก็ไม่ได้เนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในสถานที่บางแห่งก็บอกเออออกไปออกไปให้ไม่เข้าเลยนะไม่คขาว่านั่นสถานที่ชั้นสูง คนใส่รองเท้าชั้นสูงหรือคนไม่ใส่รองเท้าชั้นสูงเข้าวัดพระแก้วยังต้องถอดตั้งแต่ประตูเลยนะ mm hmm. เอ๊แล้วมันอะไรกันแน่อยู่ในเมืองกรุงเงินนะวัดพระแก้วนะ่ะระวังนะแล้วทาไมไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าไปคัตชูก็ให้ถอดนะแล้วอะไรแน่น่ะถอดรองเท้ามีเกียรติหรือไม่ ถ, ถอดสอนรองเท้ามีเกียรติเห็นไหมซับซ้อนสับสนละถอดรองเท้านี่เป็นคนสูงพระพุทธเจ้านะ่ยใส่รองเท้าทองคําำนะ แต่พอท่านตัดสรู้แล้วท่านทำไมมาใส่รองเท้าไม่ใม่ฉลองพระบาทอะไรอีกตัจนปริยนิพา น, นถ้าไม่รู้เลยว่าใส่รองเท้าดีกว่าหรือใส่รองเท้าไม่ดีกว่าถ้าท่ารู้ว่าใส่รองเท้าดีกว่าท้านท่านทำไมไม่ใส่รองเท้าแล้วจะไม่มีคนถวายรองเท้าให้ใช้มหมเออมันจะไปอดอะไรล่ะก็จะถวายรองเท้าใช้ใช่ไหมเนี่ยมันมันง่ายๆฟังดีๆอแต่ยากที่จะเข้าใจยากที่จะเชื่อเพราะว่า มันสั่งสมความเชื่อถือพวกนี้มาตั้งกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้ไอ้ใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าจนเท้าอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ําเพราะคนไม่ใส่รองเท้า ท, ทุกวันนี้เป็นเดีย๋ยกนะ็เดี๋ยวไทยฟู้ดกินไม่ต้องเอาฮ่องกองฟู้ดหรอก <laughs> ไทยฟู้ดไม่ใช่ฮ่องกองฟู้ดมัน ภูมคุ้กันต่ําแล้วอ่อนแอแล้วเพราะงั้นกว่าจะปรับตัวกว่าจะมาเรียนรู้แม้แต่เดินเหินก็ไม่ไหวแล้วโอ้โหมันบางนั้นเกินนะท้ามันบางก็น่าเดี๋ยวนี้เดินก็ย่องก็แย่งโอ้โหมันเจ็บมันปวดมันง่ายมันไม่ทนแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วพูดไปก็ยาวนะอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นภาวะที่กลับกันนะ หลายๆอย่างมากมายอัตมายกตัวอย่างบางอย่างท่านั้นหลายอย่างแม้ยกได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ยกยกบางทีวัเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กระทบเอาไปเขาคอยศึกษาไปเขาคอยรู้บางสิ่งบางอย่างเราก็คอยผูกกันนานๆเข้าใจสัจจะดีๆฟังแล้วก็เออเป็นไปได้อย่างงี้ดีนะธรรมะนี่ลึกซึ้งซับซ้อนบางทีกลับกันไปกลับกันมาเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นกองจักเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกองจักก็ได้ มันกลับกันบางอย่างเป็นดอกบัวแท้ แ, ทแต่คนโลกโลกนี่เขาใจเป็นดอกบัวบางอย่างเป็นดอกบัวแท้แทคนเขาเห็นว่าเป็นกรงจักรมันกลับกันเห็นดีเป็นช่วยเห็นช่วเป็นดีไปสลับกันกลับหัวกลับหางนะต้องเราค่อยมาศึกษาแล้วเราถึงจะรู้สัจจะได้ดีแล้วก็จะได้ปรับตัวเองทำกรรมของเราให้มันสู่ดีที่แท้จริงดีที่ลึกซึ้ง แม้แต่คําว่าอิสระเสรีภาพทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเข้าใจกันไม่ได้อิสระเสรีภาพคือการตามใจตัวเองต้องสมใจข้าคืออิสระเสรีภาพข้าจะทําอะไรอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรอยากทำอะไรได้ตามใจข้านั่นคืออิสระเสรีภาพนั่นคือความเลวถ้าปล่อยให้ตามใจพันไล่หมดเลยทั้งโลกเนี่ยซึงมันไม่ใช่การไม่ต้องตามใจตัวเองนั่นคืออัศ อิสรเสรีภาพอย่างนี้เป็นตน้นพูดกันก็ยังไม่รู้เรื่องการหมดตัวตนหมดตัวกูของกูหมดตัวที่จะต้องมาต้องการอะไรมาบำเรอตัวนั่นคืออิสระภาพอันแอบสูตอันสุดยอดอย่างนี้เป็นตน้นมันก็ยังไม่พูดกันยังไม่รู้เรื่องน่ก็จะค้อยค่อยทำความเข้าใจกันนะ่แล้วก็จะเป็นไปได้นะ่เอาละอาตมาได้ใช้เวลามานานพอสมควรในการเทศนาสู่กันฟังนะ่ก็ย้ํากับพวกเราที่ได้ปฏิบัติมาบ้าง เพื่อแผ่ให้แก่ท่านผู้มาใหม่ได้ฟังใหม่ๆอ า, อาจจะแปลกหูได้ฟังแล้วผู้อะไรไเห็นรู้เรื่องก็ได้บางอันบางอันรู้เรื่องก็แปลกก็ได้บางอันเออเข้าใจอันนี้ชัดเจนก็ได้นะเพราะว่าธรรมะมันมีหลายระดับก็ก็กกค่อยศึกษา ก, คกษา็ค่อยฝึกฝนเอาถ้าเผื่อว่าเห็นว่าธรรมะนี้มีประโยชน์คุณค่าก็สนใจแล้วก็ติดตามศึกษาไปให้ได้อสำหรับวันนี้พอแค่นี้